ที่3ของการปฏิบัติแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผู้เก่าที่เคยฝึกฝนมาตกยิดโคโหาคงไม่ยากลาบากอะไรหลายคนเริ่มมีสมาธิกับการปฏิบัติแต่ก็หลายคนกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่กับการแก้ไขเรื่องของนิวรณ์ ศีลเนี่ยกำจัดกิเลสอย่างยาบสมาธิในกาจัดกิเลสอย่างกลางอย่างกลางนี่จะหมายถึงตัวนิวรธรรมทั้งหลายถ้าสมาธิมีนิวรก็จะลดลงลดลงลดลงถ้าสมาธิทําได้ต่อเนื่องก็ส่งผลเท่ากิดมีปรัช น, นาญาณทําให้เกิดปัญญาทําลายกิเลสอาสวะที่อยู่ข้างล่างในใจเรา เราได้ยินได้ฟังประจํานะว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาเนีคนที่จะเข้าถึงธรรมต้องรู้แจ้งเรื่องของอริยสัจสี่คือทุกขสมทยัยนิโรธมัตถถ้าเป็นชาวพุทธก็จะท่องคํานี้ได้มานานแล้วละ่ะแต่สมัยเป็นนักเรียนเป็นเยาวชน การปฏิบัติธรรมก็คือการมาทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจสีนี่แหละแต่ว่ามันต้องลงทุนนะอันนี้ลงทุนที่จะเห็นลงทุนที่จะทุกข์คือต้องกล้าดูตัวเองแต่ละคนมีแผลที่ลี้ลับทุกคนคือมีความทุกข์ที่ฝังอยู่ในใจแล้วไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าต่อสู้ ไม่กล้าพันฝ่าสิ่งที่อยู่ในใจแต่เราคนมีความมีปมด้อยอยู่ในใจคือขยันมากก็ไม่ได้ได้กินน้อยก็ไม่ได้นอนน้อยก็ไม่ได้เดินมากก็เจ็บก็ปวดเวทนาจัดพวกเนี้ยสติปัญญาทุนเดิมทางด้านคุณธรรมเรามันมีน้อย ทีนี่จะเอามาลงทุนกับกายเนี่ยเพื่ออย่างรู้อริยสัจจะเนี่ยจึงเป็นไปได้ยากแต่ก็มาเริ่มที่นี่เริ่มวันนี้เริ่มเดี๋ยวนี้คือคุณธรรมนี่มันมันสามารถงอกงามได้แบบปัจจุบันทันด่วนก็ได้แบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ต้องนึกถึงได้ตอนไหนสร้างขึ้นตอนนั้น คำว่าสัจจะสัจจะหรืออริยสัจเนี่ยเราเคยได้ยินบ่อยๆนะแต่ไม่รู้ว่าเราเข้าใจลึกตื้นแค่ไหนการรู้แจ้งในสัจจะหรือการเห็นแจ้งในอริยสัจเนี่ยบางทีเราเข้าใจไม่ตรงเข้าใจไม่ถูกบางทีก็เข้าใจถูกแต่ความเพียรไม่พอไปไม่ถึงก็เลยไม่เห็น สัจจะมี2แบบนะสัจจะที่เป็นสมมุติอันหนึ่งเขเรียกว่าสมมุติสัจจะอันที่สองเนี่ยสัจจะแบบปรมัติคเขาเรียกว่าอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเป็น ค, ความจริงของพระ อ, อริยเจ้าคือปุตุชนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ความจริงอริยสัจ เรารู้จอกอริยสัตว์สี่ไหมเนี่ยปุตุชนไม่มีโอกาสได้เห็นนะเมื่อไหรที่ปุตุชนเห็นก็แสดงว่าเขามีดวงตาเห็นธรรมเขาเป็นพระอริยเจ้าแล้วมีดวงตาเห็นธรรมก็จึงเห็นอริยสัตว์สีแต่ถ้าอยู่นอกๆเราพูดคุยกันเราท่องบนว่าอริยสัต์อริยสัตว์เนี่ยนี้แสดงว่าคือเรายังไม่ถึงเนะีเรารู้แต่สมมุติบัญญัติในอริยสัตว์ ทุกเราก็รู้ทุกแบบสมมุติไม่ใช่ทุกขของจริงบางทีทุกขก็เป็นของจริงอยู่แต่ว่าปัญญาที่เขาไปรู้เนี่ยมันมันไม่ใช่ปัญญาแบบวิปัสนามันเป็นปัญญาแบบผิวเผินแบบตื้นๆ น, นั้นความรู้ที่เกิดขึ้นก็จึงไม่สามารถที่จะทําให้เราเห็นแจ้งหรือดับทุกได้ ปัญญาสมมติก็รู้แจ้งสัจจะขั้นสมมติแต่ก็เป็นไปเพื่อความยึดติดอย่างตัวสมมติสัจจะเนี่ยก็คือสมมติบัญญัติในสังคมนั่นแหละคนเราเกิดมาโดยธรรมชาติก็คือธาตุนะโดยสภาวะมันนะสภาวะมันยิงคือมันก็ เป็นไปโดยธรรมชาติมันของธาตุเนี่ยเกิดขึ้นเขาจะสมมุติให้มันก็ตามไม่สมมุติก็ทามันก็เป็นแบบนั้นของมันนะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปคือเจริญโดยธรรมชาติมันแบบนั้นเราสมมุติมันว่าเป็นดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นแล้วมันก็ทําหน้าที่คือประกอบมันสร้างปั้งหนึ่งแล้วมันก็มีอายุของมันก็เสื่อมสลายตายจากไปโดยธรรมชาติ แต่ในช่วงที่มันเจริญเติบโตเนี่ยมันประกอบกันโดยสภาวะของธาตุเนี่ยเราไปสมมุติมันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราเป็นของของเราเป็นกายเราความรู้สึกเป็นธาตุเราธาตุสีของเราดินน้ำใบลมเป็นแข้งเป็นขาเป็นตีนเป็นมือ ลูกลามไปถึงเป็นเป็นยะติโกโหติกาเป็นวัตถุเป็นสิ่งของของเราแต่ความจริงมันก็เกิดโดยธรรมชาติมันคนเราเนี่ยทุกคนแต่และคนเกิดมาก็เกิดโดยธรรมชาติเกนะิดจากธรรมชาติแต่ถ้าเราเกิดเราบอกเราเกิดจากบุญเนี่ยอันตรายนะดีเลยเกิดจากบุญจากกุศลเกิดจากบาป เกิดจากกรรมเก่าจากอะไรเนี่ยคือเราไม่เข้าใจธรรมชาติแนวโน้มที่จะเกิดการยึดติดก็มีสูงแต่ในขณะเดียวกันความรู้ที่เป็นความรู้แบบอริยสัจเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราไปยึดถือยึดถือเอาธรรมนั้นแต่สภาพว่าจิตเราไม่ถึงระดับเนี่ยเวลาใชา้เลใช้ผิดใช้ผิด อย่างท่านบอกว่าสวรรค์นในอกนรกในใจอะไรเงี้ยความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่บาคนทั้งหลายทั้งปวงถ้าจิตแบบทุรชนจิตปุตุชนจิตคนพานเนี่ยคือจิตแบบไหนมันก็จะยึดถือสัจจะโดยตีเข้าความหมายของตัวเองเข้ากับกิเลสตัหาของตัวเองไม่ได้เข้าสู่สัจจะที่มันเป็น คือคำคำเดียวกันแต่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งไม่ถึงที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของสัญจาเนี่ยเราไม่ได้ถึงบาว่าแบบนั้นงั้นปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แบบ จ, จํมแยงเราดูดิสมมุติขนาดสมมุติเนี่ยเราเล่นเหมาะสมกับบทบาทไหม เราสมมุติเป็นพระเนี่ยเหมาะสมไหมเล่นหมดบทบาทสมมุติพระเนี่ยเหมาะสมไหมสมมุติสงัลิยะสงสมมุติบทบาทโยมเนี่ยเล่นสมุมดบาทไม่เป็นโยมเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็มันมันเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปได้ยากจะเป็นไปไม่ได้เลย สมมติเป็นพ่อเนี้ยเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเต้นบทบาทสมควรหรือยังไม่ได้เป็นเนี่ยคือร่างกายสังขารเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันแก่ผุพังตามธรรมชาติธาตุขันธ์เนี่ยมันเป็นเองโดยธรรมชาตินะแต่ในขณาลิกันชีวิตเรา ตัวของเราเองจิตใจเราเองแต่ะวันแต่ละวันเนี่ยเล่นไปทําบทบาทของอวิชชาตามบทบาทของความไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรวิ่งอยู่กับการกับงานกับโลกกับรักกับชังเป็นผัวเป็นเมียก็โกรธเกลียดชิงชังเป็นพระเป็นเจ้าก็เล่นบทบาทโจมบทบาทกาลวาดบทบาทสารพัด น, นะลูกก็เล่นบทบาท คนเก่งคนเร่เเรอะคือมันเป็นไปตาความอยากทั้งหมดไม่ได้เป็นไปตามสมมุติที่มันเป็นแต่ธาตุขันธ์นี่มันเสื่อมเลยมันจะซื่อสัตย์จริงๆเน่ยมันเป็นไปโดยธรรมชาติมันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปคุณจะรู้ก็ตามคุณจะรักษามันก็ตามไม่รักษาก็ตามมันก็เสื่อมแบบนั้นคงมาเนื้แต่เราไม่ได้ค่อยสนใจ ที่จะมาเรียนรู้เรื่องของอริยศาสตร์เรื่องความจริงของธาตุของขันธ์ของชีวิตอันเนี่ยเราไปสนใจที่จะรักษาสมมุติโ น, น้นนะรักษาสถานะทางสังคมนนรักษาอัตตาตัวตนรักษาความรู้สึกนึกคิดม่ากูของกเนี่ยนะอาหารการมะมางการนะตัวกูของกู ไปรักษาความรู้สึกความรักรักษาไว้ความชังรักษาไว้ความพอใจเมื่พอใจนู้นเราไปวิ่งรักษาน้นคือเราไม่พยายามที่จะรู้แจ้งเรื่องอริยสัจชีวิตเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราพากันวิ่งไปรักษาสมมุติเดี๋ยวนี้รักษาสมมุติพอเราเข้าใจว่าชีวิตของเราอยู่ได้ด้วยสมมุติ เราเข้าใจว่าสมมตินั่นคือความจริงของชีวิตโลภโกรธหลงเลยกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาทิฏฐิอันนั้นมิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจไม่ถูกเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพียงรูปเพียงนามเพียงธาตุเพียงขันหรือเป็นเพียงธรรมาชาติเฉยๆนี่เราไม่เข้าใจเราจะทําเพื่อตัวเราทําเพื่อลูกทําเพื่อสามีทําเพื่อภรรยา เพื่อร่างกายในเพื่อสังขารี้เพื่อยศถาบรรดาศักด์เพื่อวงตระกูลสมมุติทั้งนั้นนะแต่ทำยังไงได้เมื่อยังไม่มีปัญญารู้แจ้งเรื่องอริยสัจเนี่ยจำเป็นห้ามยังไงก็ไม่อยู่เพราะไม่รู้ไม่มีดวงตาเห็นธรรมเราก็ต้องไหลไปทำสัจจะสมมุติพวกนี้ทั้งหมด ทั้งโลกจึงกลายเป็นว่าแก้ปัญหาไม่รู้จักจบสิน้นทุกแล้วก็ว่าปัญหาสมุทยัยเหตุเกิดปัญหานิโรธปัญหาที่ถูกแก้ไขมรูปแบบวิธีการที่เราเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมานานแล้วยังนานแล้วน เราว่าเป็นธรรมะประยุกต์ด้วยซ้าไปแต่ความเป็นจริงแล้วอริยสัตว์หรือธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าประยุกต์เลยมันใช้กับจิตนะใช้กับจิตอริยสัตว์เนี่ยถ้าเอาไปใช้อย่างอื่นเขาไม่เรียกว่าอริยสัตว์เขาเรียกว่าสมมุติสัจจะเขาไม่เรียกว่าอริยสัตว์ อริยสัจนี่เป็นสภาวะของความเป็นจริงที่เราจะต้องเข้าไปรู้นะเราไม่สามารถดึงน้อมกลับมาหาตัวเราเองได้ธรรมะเนี่ยคือมันเป็นอย่างนั้นของมันแต่เราจะต้องสร้างสติสมาธิสร้างปัญญาเข้าไปรู้ธรรมะทิฏฐตาธรรมนิยามตาอุปาทาวะพิกเวตตาคตานังอนุปาถาวารระตาคตานัง ถ้าพระพาจะเกิดขึ้นกระทำไม่เกิดขึ้นกระทาอริยสัจมันก็เป็นอยู่แบบนั้นสําคัญว่าเราจะมีปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นไหมแต่สิ่งที่เราเห็นนะปัจจุบันคือการเห็นสมมุติแต่สมมุตินี้เราก็ไม่เห็นแจ้งในสมมุติปัญญาที่เรามารู้สมมุตินี่ก็เป็นปัญญาแบบสมมุติอันเนี้ย ปัญญาแบบสมมุตริรู้ความจริงแบบสมมุติแล้วอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาชีวิตของมนุษย์การดําเนินชีวิตผิดพลาดมดเราแก้ปัญหาจนตายสังเกตไหมได้คําตอบหรือไม่เมื่อเราพบคําตอบแล้วแก้ปัญหาได้แล้วไม่มีคนแล้วคนเราคนแล้วคนเราตายแล้วเกิดจบสิ้นไปเรื่อยเรื่อยๆไม่ได้คําตอบ ให้กับลูกกับหลานว่ามาทางนี้ถูกทางแล้วไม่มีพอเราเอาปัญญาแบบสมมุติปัญญาแบบปกโลกโลกมาแก้ความอยากแบบโลกโลกซึ่งไม่ใช่ความจริงเราหลงทางเราเป็นบุคคลผู้หลงทางท่านให้เดินตามเส้นทางของอริยมรรคเราเดินตามทางโลกีมรรค มันทำยังไงที่จะไม่ให้ทุกเกิดมันเป็นไปไม่ได้มันต้องทุกมันเกิดวันนี้แก้เรื่องหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งวันต่อไปก็มีอีกเรื่องหนึ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เกิดการเข้าใจชีวิตและเกิดการถอนถอนความหลงผิดก็ขึ้นอยู่สติปัญญาของเราเองว่าจะมีมากมีน้อยแค่ไหนนะแสงสว่างในใจเนี่ย ปัญญาคือความสว่างในจิตนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาในสว่างส่องสว่างถึงจิตนะสามารถรู้เห็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้หลายคนนะเริ่มถอนตัวเองถอนถอนความโกรธ ออกมาถอนความโลภถอนความหลงที่ถอนนี่เงินพราอะไรเพราะเพราะเห็นว่าความจริงมันมันไม่ใช่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องโลกโลกนะเรื่องโลกก็คือก็แค่นั้นนะเราจะแก้มันก็ตามไม่แก้ก็ตามปัญหามันก็ดับของมันเองอยู่แล้วมันดับโดยธรรมชาติมันนะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เฉยกับมันปัญหามันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนปัญหานี่ว่ามันเกิดที่ความคิดเราเองนะ ความคิดเราเองที่จิตเราเองไปเพิ่มอัตตาตัวตนแต่จริงสมมุติตั้งหลายอย่างโรคไปค่อยเจ็บก็แก่เด้ย๋ยวก็เจ็บก็ต า, ายสังขารก็เหมือนกันตำแหน่งหน้าที่การงานสมมุติตางสัืงครมอีกสักหร่เดี๋ยวก็เสื่อมมันเป็นโดยธรรมชาติสมมุติขึ้นมามันก็แตกดับด้วยสมมุติสมมติเกษียณ60ปีถึงเวลาก็ดับไป บาทีสมมุติเพราะความเกลียดชังข้อกดกติกานะสมมุติเพราะรักเพราะชังเพราะโกรธเพราะกลัวเพราะชอบชอบก็สมมุติขึ้นมาชังนะก็ลือกฎกติกาทิ้งสมมุติไปนับตั้งแต่เรื่องรั่ธรรมนูญเรื่องอะไรมาโมดมันเป็นสมมุติบัญญัติ ทางงสังคมไม่มีอะไรเป็นความจริงซะกันมันจึงไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะเห็นว่าถูกเห็นว่าผิดแล้วแต่เราจะสมมุติกันขึ้นแต่มันก็แตกดับโดยสมมุติเราไม่ไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็ดับไปเองร่างกายมันประกอบกันขึ้นแล้วเป็นรูปธาตุสี่เนี่ยมนรูปร่างแบบนี้ตัวแบบนี้ หน้าตาแบบนี้แข้งขาแบบนี้สมมุติตามกรรมพันธุ์สมมติตามตามกรรมตามเหตุปัจจัยที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาภาวะมันเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็สมมุติอันนี้พอผ้าขาวผ้าเหลืองมโหหมเราก็เรียกสมมุติไปแบบหนึง่งเป็นพระนะเป็นศีกาเป็นคารวัตญาณ ย, ยมแต่ว่าหนึง่งไอความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วก็สมมุตินี่ก็สลาย แล้วเรามายึดเอาอะไรบางทีบางครั้งถูกสมมติใหนะ้เราเป็นคนดีนะเรารู้ตัวเองไหมเราเป็นคนดีตรงไหนเป็นคนดีจริงๆไหมหาดูแล้วก็แทบจะไม่มีนะไม่มีอะไรดีเลยร่างกายก็ไม่มีอะไรดีนะเขายกย่องว่าเราทำดีการกระทำนะั้นน่ะมันพอดี พอทนได้ไม่ยากลําบากเท่าไหร่มันถูกต้องสังคมยอมรับเฉยๆแต่บางคนหลายๆคนก็ไม่ได้ชอบการกระทำของเราแม้จะถูกก็ทาอ่ะกลุ่มหนึ่งเขาสมมติว่าเราไม่ดีอ่ะแล้วเรามัวมายึดถือกับเรื่องพวกนี้ได้ยังไงจิตเนี่ยเพราะอะไรเรื่องอย่างนี้แหละที่ทำให้ชีวิตเราเสียเวลาเราจริงจังกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่อง มาเอาใจใส่ร่างกายสังขารนี่ที่มันแตกดับงพระพุทธญาณที่มองร่างกายสังขารยศฐามนมดาศัก์ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆทั้งปวงเหมือนภาพลวงตานะเหมือนเศดที่ขากออกมาแล้วนี่อยู่ปลายลิ้นพร้อมที่จะถ่มทิ้งเหมือนหยดน้ําที่มันตกลงมาแล้วก็เป็นฟองนิดหนึงแล้วก็ดับเหมือนพยับแดดที่เราเห็นอยู่ตามน้ําำยิ้ม ๆ, ๆ, ๆ, ๆพอไปดูแล้วไม่มี แต่มองไปเหมือนเพชรยินยินดาส่องแสงเรยุบเรยยศชีวิตนี้มันอยู่ครู่หนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราเห็นอริยสัจเนี่ยการมองชีวิตมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าจิตเรายังหลงอยู่ในภาวะของสัน ต, ติความสืบต่อเราไม่เห็นการแตกดับหรือสลายหรือลดปฏิยาของความที่ ของปฏิจจตสมุบาตลงเนี่ยเราจะเห็นกระแสนี้เป็นแบบตัวตนเป็นเรื่องของกูเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นอัตตามันไม่แก้งไงเราจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาเห็นสิ่งที่ปรากฏในท่านในขันเนี่ยตามความเป็นจริงที่มันเป็น จิตจะได้เหนื่อยหนายรายกำหนัดเมื่อมันไม่มีความอยากมันไม่หลงเข้าไปในความปรุงแต่งความโลภไม่มีความโกรธก็ไม่เกิดไม่หลงมันก็จะไม่โลภไม่หลงกายก็ไม่อยากให้กายนีกายเด่นกายอะไรแต่ว่ามองมาโดยธรรมชาติมีเวทนาก็เค่ไขโดยธรรมชาติเมื่อไม่โลภ แล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราคิดนะวันวันหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาลงงุนหญิดเพราะอะไรมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจสังเกตดูวเวลาเราปฏิบัติธรรมนี้เราไปทํางานทํางานกับคนนั่นคนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างใจเราคิดแล้วจะงุนหญิดเพราะความโลภเรามีเราโลภเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้แล้วเผอิญว่าด้วยเหตุปัจจัยด้วยสติปัญญาของคนอื่นเนี่ย มันไม่ได้เพียงพอต่อที่จะสนองความอยากของเราเองเราก็ไปทุกข์ที่เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสมมุติธาตุขันของเขาไม่หมุนไปตามที่เราอยากรูปเขาไม่เป็นไปอย่างเราคิดเบญนาไม่เป็นไปอย่างเราคิดสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราอยากเราต้องการเราก็เลยไม่พอใจก็โกรธ ถ้ามันเป็นไปนอย่างพอใจก็ชอบปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมาทําชีวิตให้อยู่กับธรรมให้มันเป็นไปตามธรรมแต่เดี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติกิเลสปฏิบัติตกิเลสก็คือมาสนองกิเลสสนองตัณหาไงมันเป็นยังไงมันรู้สึกไงเราก็ทําตามความรู้สึกไม่ว่าอยู่ข้างในไอ้ตัวที่ดันเป็นพลังเป็นพาวเวอร์ที่ทําให้เกิด ควารู้สึกแบบนั้นนะ่าจะเกิดจากอวิชชาหรือวิชชาเราก็ไม่รู้ล่ะรู้สึกยังไงมาเราทําตามอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบททัติธรรมเรามาปฏิบัติกิเลสอย่างปฏิบัติครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็ปฏิบัติรับใชค้ครูบาอาจารย์ปฏิบัติพ่อแม่ก็รับใช้พ่อแม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทําตามธรรมนะแต่ใ้เราปฏิบททัติธรรมเราเรียกนะแต่เรามาทําตามกิเลสบางที เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักทำไงความจริงคือเราไม่รู้จักทำทำทำทำคำนี้คือเรื่องของอริยสัจอะไรอะไรอะไรเกิดขึ้นจะเป็นจะตายให้ได้พอดีทุกอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่ทุกันทนไม่เป็นฝืนไม่ได้ยอมสิโลลามอยู่กับกิเลสตัณหากิเลสมันคือจะสั่งเราอ้างนั่นอ้างนี่เป็นนั่นเป็นนี่ รู้จัก เ, เลี่ยมกิเลสน้อยไปชีวิตเนี่ยถ้ามีปัญญามีขนาดนี้น่ะเหรอฮึตกเป็นธาตุกิเลสหรอกประกาศอิสรภาพไม่ได้หรอกชีวิตเนี่ยหลงจมอยู่ในวังวนนั้นไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะชีวิตเราอยู่ในกระแสของโลกีนะจิตมันไม่อนุญาตจะปฏิบัติธรรมหน่อยก็ง่วงปฏิบัติธรรมหน่อยก็ปวดหัวปฏิบัติธรรมหน่อยก็ขี้เกียจ คิดว่ากิเลสมันโง่เลยเราสวมชุดนักปฏิบัติทาแล้วกิเลสมันจะกลัวเลยไม่ไม่ได้กลัวนะพาวเวอร์ Power, พลังภายในเรามันมีน้อยมันมีน้อยนะศรัทธามีน้อยวิริยะมีน้อยสติมีน้อยสมาธิก็มีน้อยปัญญาการแยกแยะมีน้อยความเพียรมีน้อย ไม่มีอะไรเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยมาด้วยมือเปล่าๆคุณนั่นทําไม่มีมาแต่ร่างกายสังขารที่พกกิเลสมาเต็มตัวแต่เราก็จะเห็นธรรมะเราไม่เปลี่ยนเลยเราจะขึ้นแสดงบนเวทีเหมือนหมอละเหมือนลิเกเนี่ยปกมันไม่พูดเล่นแล้วทีเนี้ยไหนว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะเห็นนระกสวรรค์ทำมาป่านนี้คือยังไม่เห็นเนี่ยมือมันกําสมุไรยอยู่นะ <c oughs> อาจารย์ก็ยังนั่งสร้างจังหวะไม่ดูหน้าดูหลังดีนะสร้างจังหวะแต่ถ้าหลับตาแล้วมันชั่วเลยยุ่งเลยนะะสร้างจังหวะก็ลืมตาดูอยู่อาจารย์บอกว่าเอาไม่เห็นเลไม่เห็นควาโกหกใช่ไหมเสียเวลาเท่าไหร่เนี่ยนั่งหลงปุงจิตวิญญาณแบบนั้นนะถ้าไม่มี คุณกำลังสู้กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนได้เนี่ยและเป็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดในชีวิตก็คือสู้กับตัวของคุณเองนั่นแหละนิสัยสันดาลเดิมเรานั่นแหละแล้วมันก็รู้จุดอ่อนของคุณด้วยว่าคุณแพ้อะไรสิ่งนั้นก็เกิดกับคุณบ่อยๆคุณเดินจะกรกลไปเดี๋ยวคุณก็เป็นนั่นเดี๋ยวคณก็เป็นนี่เหมือนเดิมมันรู้ล้วคุณโง่ตรงนั้นนะ่ะ ถ้าคุณไม่สามารถแก้ดิสัยนสันดานเดิมเนี่ยไม่มีทางมันจะออกได้มันก็เอาปัญหาดเดิมๆนั่นแหละมาแก้ตัวเองอยู่บ่อยๆมันรู้แล้วเราไม่ได้ฉลาดเกินกิเลสเท่าไหร่มันเอาอะไรมาอ้างก็เสร็จเจ็บทอ้องหิวเจ็บขาตายแค่นี้ก็จอดแล้ว ถ้าอ่อนแอแค่นี้จะรู้จักอริยาาสัจหรอไม่ได้มันไม่พอหรอกเราดูดีพระพุทธเจ้านะแทบตายนะหปีเราเคยได้ยินนะ่ะท่านก็ยังฝืนนี่นักวิทยาศาสตร์นะนิสัยวิจัยอยู่บ่อยๆเ อ, อ้าวิวจัยเวนี่เป็นสมถะวิจัยเวนี้เป็นภาวนาวิจัยเวนี้เป็นศีลเป็นสมาธิโอ ว, วิปัสสนาเนี่ยปีสุดท้ายมาค้นพบ แล้วลบทฤษฎีทั้งหลายทั้งปวงที่ออกที่ทํามาศึกษามาให้รู้ว่านี่มันไม่ใช่ทางไอ้ที่ใช่ทางนี่ฉันทําคืนเดียวแล้วก็มาบอกว่าเราฝืนแบบนี้นะใหม่ๆ ม, มันเป็นนี้นะเจอห่วงเจอเงาเจอนั่นเจอนี่นะเขาสอนเราด้วยความจริงใหญ่นะให้เรารับรู้ปรากฏการณ์นั้นตามความเป็นจริงที่ผ่านมาทั้งนั้นโอ้มันไม่ใช่ความจริงเลยที่ทําเนี่ยแต่ก่อนหลงโลก ต่อมาหลงสมาธิแบบพราหมณ์หลงไปเพ่งไปจ้องหลงไปทำสมาบัติสมาบัติก็ไม่ได้เพ่งไรืจ้องนะนะแต่มันเข้าไปอยู่ในสมาธิ น, นี่กลายเป็นฌานหนึ่งสองสามล่ห้าหเจ็ดปดตามลดับจนกระทั่งว่าอยากเข้าฌานตอนไหนก็ได้อยากออกตอนไหนก็ได้ มีความจำก็ได้ไม่มีความจำก็ได้อ่ากินจัญญายตนาชาญจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ได้สัญญาในน้อยก็ได้ไม่จำก็ได้อะไรก็ได้จนป่านนั้นก็ยังไม่เรียกว่าเข้าถึงธรรมนะท่านบอกฮนะยังไม่ใช่อริยสัจไม่ใช่ความจริงเงินประเสริฐที่ตนแดงแสวงหาค้นหาจนกระทั่งว่า ท่านวิสาขะท่านก็เกิดรู้แจ้งเรื่องห อ, งอริยสัจบางทีเราในปฏิบัติทำได้ได้น้อยนะได้อารมณ์นิดๆหน่อยๆเนือเอ่อว่าบรรลุทำแล้วเห็นทำแล้วเข้าถึงทำแล้วใจดีๆนีดหน่อยของพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยวันที่ท่านตัดสรุปตัดสรุของเราเนี่ย ขนาดเด็กเกิดมานี้หน่อยเอาไปท่องเรื่องอริยสัจเรื่องวิชการทั้งหลายเอาไปท่องเรื่องอริยสัจ ร, รู้อริยสัจเป็นว่านี้แต่ไม่เห็นใครประกาศว่าพ้นทุกนะ่ะรู้อริยสัจของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่สภาวะอันเนี้ยมันเป็นธรรมที่สุ ข, ขุมคำเพราภาพการเข้าถึงก็ต้องเข้าถึงด้วยวิปัสสนาญาณนะต้องมีญาณอนัศนะการรู้การเห็นด้วยภาะวะแบบนั้น ไม่ใช่คิดเอาเดาเอานะปีนิดพีคระเอาไม่ใช่ทีนี้คนของเราเนี่ยมีในร่างกายเนี่ยมันเป็นเป็นสมมุติธรรมที่เรามาสมมุติว่าเป็นธาตุดินน้าไฟลมแต่ปรมัดธรรมคือสัจจะของมันเนี่ยก็คือ ความเป็นธาตุที่มันคงแล้วมันดําเนินอยู่โดยธรรมชาติมันอย่างร่างกายอีกสหน่อยนี่มันจะเสื่อมเสื่อมแล้วมันจะไปเป็นธรรมชาติเป็นดินโดยธรรมชาติมันเป็นน้ำส่วนเป็นไฟก็เป็นไฟเป็นลมเป็นลมคือธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นน่ะแต่พอมันประกอบกันขึ้นมาแนี้เราเรียกว่าพระเรียกกูบาอาจารย์เรียกลงตาเรียกอะไรแล้วแต่เราจะเรียกเราเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะแต่มันเป็นการประกอบขึ้นสักระยะหนึ่งนั้นเอง เราเคลอดออกมาจากใครเราก็เรียกว่าแม่เรียกว่าย่าเรียกว่ายายตามสายเคเรีญาติตามลำดับเรียกว่าปู่ตาพวกนี้แต่หัวน้องเรียกว่าอะไรตามสมมตินะแล้วเรายึดมัน่นถึงมันมาเป็นกลุ่มเป็นที่จะใครมาถูดูดูมีนเหยียดยามไม่ได้สมมุติว่ารวยว่าจนขึ้นมาเนี่ยเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องพวกนี้ยเราไม่เคยเอาจริงกับการรู้สัจจะในตัวเองเนี่ย พุทศาสนาเนี่เขาสอนเรื่องของธาตุคนเราเนี่ยมีสภาวะธรรมชาติอยู่หกชนิดหนึ่งร่างกายส่วนร่างกายเนี่ยเขาแยกเขาเป็นสี่ส่วนที่เป็นองค์ประกอบคือดินน้ำไฟลมประกอบกวเป็นรูปร่างอันนี้จิตเนี่ยมีอยู่สองธาตุจิตคือขัน าเนี่ยคือธาตุรู้เขาเรียกว่าวิญญาณนธาตุวิญญาณนะธาตุวิญญาณธาตุธาตุธาตุเนี่ยแล้วก็ในจิตของเราเองเนี่ยมีสภาพธรรมชาติอันหนึ่งเขาเรียกว่าโอกาสสธาติหรือเรียกกหนึ่งว่าอวกาศโอกาสก็แปลว่าว่างอวกาศ ก็แปลว่า <liberal> ว <noise> ่างไร้ความดึงดูดไว้ความแรงโน้มถ่วงของกิเลสตหาอยู่ในใจเรานะเขาอยากให้เราหายมันครบแหะถ้าดินน้ำไปลมไฟก็เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุเฉยเฉยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นวันเจ็บไข้ป่วยเมื่อยเห็นมันตามธรรมชาติอย่าไปปรุงไปแต่ง จิตของเรานีจะไปปรุงไปแต่งส่วนร่างกายนมันเกิดจากการปรุงแต่งเราก็ปรุงแต่งมันพอทนอยู่ได้ดูแลรักษาเยียวยาธรรมชาติธรรมดาอยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้แตกสลายก็ใครว่าเราก็ไม่หวงอะไรมันร่างกายสังขาร น, นี่มันเกิดขึ้นมันก็แตกตับโดยธรรมชาติมันอยู่แล้วนะทาไมเราต้องมายึดมาถือมากมายได้มาก็ได้มาฟรีๆอันนี้ อธิ่านมาไม่ใช่เราตะเกียกตะกายเพื่อจะรักษ า, าธาตุขันนันี้แต่เราประคองให้มันพออยู่ได้ลื่นไหลไปไม่ให้มันเจ็บมันปวดเฉยเฉยให้มันดำเนินไปสู่วันตายแบบธรรมชาติมันง่ายๆนั่นเองทีนี้ตัววิญญาณนะาธาตุนี่คือตัวรับรู้พวกนี้ทั้งหมดคือจิตเราน่ยแหละจิตเรามีสภาพรับรูบร้รับรู้าธาตุขันแต่ให้รับรู้เฉยเฉยรับรู้แบบตรงๆภาษา อริยสัจเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิภาษามักนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นตรงตรงอ่ะเห็นาธาตุเนี่ยาธาตุดินเนี่ยเห็นตรงตรงเดี๋ยวนี้เราเห็นหนังเห็นเนื้ออย่าะไรเราเกิดกิเลสตถาภะเกิดราคะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดอยากอยู่ไม่อยากตายคืออยู่ก็เป็นธรรมชาติตายก็เป็นธรรมชาติเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือธรรมชาติ แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เรากระวนกระวายนอนก็คิดนั่งก็คิดคิดถึงการดํารงอยู่ของกูเนี่ยแต่ธาตุขันมันเป็นธรรมชาติมันเสื่อมสลายตายจากเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราเนี่ยเราไม่อยากไงไอ้ความสําคัญมั่นหมายเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดเป็นสำมานที่เห็นตรงตรงเนี่ยมันไม่เป็นแต่เห็นแล้วมันยึดนะ มันเห็นแบบเป็นตัวตนของกูเป็นอาการของกูเป็นสิ่งของกูที่ต้องสูญเสียหรือได้มาเสียหน้าเสียตาดูดิมันเห็นผิดจากสัจธรรมมากแกเราก็ไม่อยากแกอย่าว่าแต่ตายเลยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บทำบุญทำทานก็เพื่ออะไรจริงๆเพื่อสวรรค์ดังนั้นนะเพื่อสวงหาสวรรค์ คืออยากสุขอยากสบายนะแต่ไม่ได้มองไปที่การพ้นทุกข์ดังนั้นตัววิญญาณที่เกิดจากการที่มารับรู้ธาตุเนี่ยทำยังไงมันจึงจะรู้เฉยๆรู้แบบรู้ว่าเป็นรูปน้ำเฉยๆเนี่ยทํำยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ว่าเป็นรูปน้ำเนี่ ย, ยมันไม่รู้ธาตุไม่ได้รู้รูป รู้แบบเป็นตัวตนเน่ยเนี่ยเขาจึงพยายามให้มารู้เฉยๆพอรู้แล้วตัดทิ้งรู้แล้วตัดทิ้งอย่าเพิ่งให้มันปรุงไปลองลองดูที่บ่มเพราะตัวรู้ให้อยู่กับกาย น, น, นานๆเนี่ยแล้วมันจะเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้นมาจริงจวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เนี่ยให้มารับรู้เฉยๆรู้ล้วนๆให้มันทําหน้าที่ของมันแล้วอย่าไปปรุงไปเดี๋ยวนี้กระทบปุ๊บ ปรุงบิญญาณธาตุาธาตุรู้กระทบทาธาตุดินปรุงไปกระทบทาธาตุน้ำปรุงไปกระทบทาธาตุไฟปรุงไปกระทบทาธาตุลมปรุงไปมีแต่ปรุงปรุงแล้วมันไม่ธรรมชาตินะปรุงแ ล, แล้วก็ติดดนะิพรนะพมันมีเวทนาเป็นตัวหลอกลอก่อเย็นร้อนอ่อนแข็งสบายไม่สบายอย่างพลิกไปพลิกมาแล้วสบายสบายแล้วติดใจ พอให้นั่งผ้าเพียบหน่อยจะตายเพราะอะไรเพราะไม่สบายแล้วติดกบบูอยากนั่งแบบนั้นอยากนั่งแบบนี้เรื่องของกูกูสบายนั่งแบนี้แล้วแบบนั้นกูไม่เอากูไม่เคยยะหนเห็นไหมจิตมันเอาขนาดไหนเนี่ยเพราะมันยึดไงมันเคยทำอะไรเคยได้อะไรเคยเป็นเลยมันยึดอันนั้น <c oughs> มันไม่วางหรอกให้เปลี่ยนแปลงมันไม่เอามีดำำําเสมอเรื่องของกูอะ่ะกูไม่ทำก็ได้ บังคับกูได้งไงดูดี่มันประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีก็ว่ารู้เฉยๆเนี่ยมันทาไม่ได้เพราะจิตเรามันเข้าถึงอริยสัจไม่เป็นแค่สมมุติเนี้ยรู้สมมุติเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สมมุติด้วยวิปัสนาญาณสมมุติร่างกายธาตุขันเนี่ยวิญญาณเรานี่ไม่ได้รู้ตามเป็นจริงวิญญาณธาตุเนี่ยเผื่อเราจะไปรู้ โอกาสสธาติคือตัวนิพพานนะ่ะที่มีอยู่ในจิตเนี่ยสภาพที่มันไม่ทุกขนะ์น่ะที่มันว่างที่มันสงบมันปกติแท้ๆที่มันไม่คืนคลายภาวะอันนั้นน่ยก็มีอยู่ในจิตคนฉะนั้นคนเนี่ยมันจะมีอยู่6กธาตุเรียนรู้ให้หมดแค่6กธาตุอันนี้แล้วก็จะจบชีวิตเนี่ยแล้วมันก็จะปกติาธาตุขันก็ตามธรร ม, ามชาติแต่จิตกับวิ ญ, ญญาณาธาตุเป็นในหนึ่งอันเดียวกันแล้วกับโอกาสสธาติ เข้าถึงธรรมชนิดนั้นแล้วมันก็ไม่ย้อนออมาทุกแต่มันดูธาตุขันเสื่อมสลายได้จากโดยธรรมชาติจบก็จบไปฮะมันไม่ได้ทุกหรือมันไม่ได้สลายหรือมันไม่ได้เป็นไปตามกระ บ, บวนการของธาตุขันดานี้มันจะอยู่ภายใต้ภาวะที่สดใสพร้อมกับการดับไปของธาตุขันนีเฉยนั้นนั้นบอกว่าบิณ ญ, ญาณของผู้เข้าถึงดาแล้วเนี่ยมันไม่แตกไม่ดับ มันไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสังขารนี้ทีนี้การรู้รูปรู้รูปเนี่ยรูปรูปกายเนี่ยก็คือรู้ดินรู้น้ารู้ลมรู้ไฟรีากายานุปัสนาการเล็กรู้กายทาให้กายเกิดการเหนื่อยหน่ายคลายจางกับการยึดติดอยู่กับกายฉะทันคนปฏิบัติทำ ถ้าสติน้อยก็จะแก้ไขปล่อยวางนิสยยัยหยาบหยาบได้เคยแตง่งเลือแต่งตัวเคยติดไอดโนนนี่เคยใช้จ่ายเงินมากเลยมันจะลดลงอันนี้แค่เสี้ยวเดียวนิดๆหน่อยๆนะเนี่ยของการเห็นความจริงของชีวิตเนี่ยนะแต่ความจริงคือมันหยุดปรุงแต่งข้างในแล้มันห้ามใจได้นิดหนึ่งแล้วผลที่ออกมาอย่างเงี้ยรู้กาย ในกายกับรูรูปนามเนี่ยอันเดียวกันแต่ต้องเห็นกายในกายด้วยวิปัสนาฉนั้นว่าการเห็นกายในกายเหมือนเหมือนกันอย่างลงในมหาสมุทรน่ยมันจะลึกลงเรื่อยๆเรื่อยๆแค่เห็นกายในกายก็ดับทุกอย่างและววินัยยโลเกวิชาโทมราสั่งนําความพอใจและความไม่พอใจอิติกายโยติวัปนัสสะสติปัจจุปติตาหุนติ ก็ระสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไวเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกนะวินัยยโลเกปิชาโทมนะสนนำความพอใจในกายออกเสียได้นี้เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานอคือให้รู้จริงจนะ่ยแค่รู้ฐานที่หนึ่งเนี่ยก็ดับทุกได้แล้วมันเหมือนกันรูน้ ก, กาย ก็อะไรที่มาเกี่ยวพันกับกายไม่ติดข้องกับกายการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งคือเขาพยายามที่จะเรียนรู้หรือกายอันนี้ากายเป็นที่ตั้งของกิตในตัณหาแล้วเขาจะคิ ด, ค, ดคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอสุภาสุภาษเป็ว่างามอาสุภาก็เป็ว่าของไม่งามไม่งามขนาดไหนไม่งามขนาดป่าช้าสรากศพในป่าช้าทั้งเก้ามองร่างกายนเปรียบเหมือนป่าช้าเดินได้ คิดเรื่องป่าช้าเปรียบเน่าเหม็นอยู่บ่อยๆเสื่อมสล้ายอยู่บ่อยๆมันเกิดกิเลสตัณหาเราท่านกำลังคิดถึงเรื่องสร้างศพเปื่อยเน่าอยู่ตลอดเวลาทำนา น, า น, า น, านานเข้านานเข้านานเข้าเนี่ยตัวกสินนเนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นร่างกายเป็นสมาธิโดยธรรมชาติเป็นสมาธิอยู่เนี่ย ทีนี้สมาธิที่มันมีเนี่ยมันก็ไม่จะไปค่อยคิดเรื่องความงามของร่างกายมันก็จะเห็นจิตที่มันจะคิดพอใจไม่พอใจเนี่ยพอมันตั้งมั่นแล้วจะมาดูจิตท่นนีนี่เขาเรียกว่าทำแบบเกษินทำแบบจตุธาตุววัฏฐานในหลักของกายานุปัสนาสติปัฏฐานบับที่สี่ ที่หมันมีอยู่6 6รูปแบบ6แบบ6ฉบับ6แบบฉบับเขาเรียกว่าปอบพระของการฝึกแต่วิธีที่ฝึกเนี่ยคือระลึกรู้เลยมันคิดมาก็รู้แล้วกลับมาอยู่กับกายรู้อยู่กับกายมันต่อเนื่องต่อเนื่องนานเข่านานเข้นก็จะเกิดการรู้กายเขาเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นกายในกายคือเห็นสภ า, าวะกายที่มันไม่ปรุงแต่ง เ, เห็นเฉยเฉเนี่ย แต่ใหม่ๆมันไม่เฉยๆไอ้เฉยๆแบบนี้เฉยๆแบบไม่ใช่เกิดจากปัญญาอันนี้นเห็นอิสนาเขาคิดอีกแล้วอิสนาเขาคิดอีกแล้วมันปรุงแต่งอีแล้วเนนี่ยเราจะทําให้มันรู้เห็นด้วยถ้ามันมันเห็นด้วยโดวยวิปัสสนาคือเกิดการเห็นแจ้งในรูปในนามมเนี่ยในรูปนามนเห็นตามความเป็นจริงนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเกิดการเห็นตามความเป็นจริงในรูปเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแจ้งในอริยสัจ อริยสัจคือความจริงเงินประเสริฐในเบื้องต้นเนี่ยรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ใหม่เนี่ยทำไม่ได้สติซะก่อนสติคือดวงตาดวงตาที่เห็นเนี่ยเราได้รู้ตัวทั่วพร้อมได้ตัวรู้ตัวตื่นขึ้นมารู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาเนี่ยไอตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นแหละคือดวงตาเป็นธรรมจักรสุที่จะสามารถเห็นกระบวนการของชีวิตเนี่ยได้จริงๆ การเกิดขึ้นดวงตานี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับการได้ปัญญาทำลายยิเดตนาในเบื้องต้นมีความมั่นใจในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ในประรัตนาไตรสลัดความงมงายทั้งหลายออกอยู่กับปัจจุบันธรรมเป็นแนวไม่อัศจรรย์เลือกคาสอนพุฒิยาวในแบบงมงายแบบความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงในเข้าใจละใครจะว่าที่นั่นดีที่นี่ดี เรารู้แล้วทุกอย่างเนี่ยถ้าสติมันดีดีหมดเลยเราจับได้และตัวปัจจุบันธรรมมนเนี่นะไม่มีหลอกสายโน่นสายนี่สายกระสินสายสมถะสายมิปัจสิณมันไม่มีแล้วมันไม่มีสายนั้นสายนี้แล้วพอปฏิบัติทำได้มันมีแต่สติล้วนรู้วันแล้วสติที่รู้เห็นความจริงของกายตามความเป็นจริง พอมีสภาวะนีมันจะได้เสวยสุขด้วยนามากายนามากายคือใจเนี่ยมีสุขละจิตใจเรามีความสุขสุขเพราะกิเลสมันหลุดออกไปแต่ก่อนกิเลสมันห่อหุ้มใจแต่พอเราเกิดปัญญานี้มันก็หลุดไปอะ่ะใจมันก็สดใสตื่นเบิกบานขึ้นมารู้อริยสัจครั้งแรกจิตจะเป็นอย่างนั้นนะเราจะสังเกตเห็นทีเดียว ความคิดมันจะน้อยเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวสําคัญมันหมายในขันท่าเนี่ยมันลดลงกว่าเราจะทํานี้ได้นะกว่าจะรู้สึกตัวนี้ได้มันต้องต่อสู้กับความม่วงตัดความม่วงออกความม่วงเกิดไหนเกิดที่จิตอธิธรรมเนี่ยเห็นว่ามันม่วงเป็นอย่างนี้แก่เป็น ความหิวความอยากเราตัดได้ความเบือ่อความนายตาดัตดตดัดตัดอยู่เรื่อยๆแล้วลึกรู้อยู่ปัจจุบันนี้พยายามที่จะรู้เฉยๆทิ้งอะไรเกิดขึ้นทิ้งรู้สึกเฉย ๆ, ๆทําบ่อยๆเนืองๆ เ, เจ็บปวดเราก็ต้องทนทนพร อ, อะไรทนเพื่อจะให้รู้ตัวต่อเนื่องอันนี้แต่ถ้าเราไม่ทนจิตเราก็จะแวบเข้าไปในปวดง่วงเหงาขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนเราก็ต้องทนอันนี้ ทนเพื่อจะให้รู้ตัวให้มันต่อเนื่องรู้แบบเฉยๆเนี่ยมันปวดมาเป็นมานแบบหนึ่งเป็นมาร น, นะมารบกวนจิตเราเนี่ยเราก็ไม่ยุ่งกับมันนะมันจะให้คิดไปทาน้นทาง น, นี้ก็เป็นมานแบบหนึ่งเราจะรู้เฉยๆเนี่ยหรือแม้แต่มันเกิดได้อารมณ์มีสมาธิมีอะไรเราก็จะรู้เฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะดับไป ภาว่าโล่งโปร่งอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เฉยๆถ้าเราเฉยกับมันได้ไอตัวรู้เราเนี่ยจะเปล่งประกายขึ้นเรื่อยๆจะรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นเรื่อยๆจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมาธิเป็นอะไรก็ตามมันเป็นมายาแล้วมันก็ดับถ้าไงจิตเราจะตั้งมั่นกับการรู้การเห็น น, นั้นได้ถ้ามันตั้งมั่นเห็นได้เราก็จะเห็นกายในกาย เห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นรูปมันเป็นอย่างนี้ของมันเนี่ยเราไม่ปรุงแต่งมันมันก็เฉยธรรมชาติเราไม่มีอุปทานเราเจ็บล้วปวดก็รู้าเจ็บปวดเออธรรมดาแก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ไม่อะไรอาวรณ์อะไรกับมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็คือโรคภัยไข้เจ็บโดยธรรมชาติเพราะจิตเราลึกๆคือมันไม่กลัวตาย เมื่อไม่ไมกลัวตายมันยังห่วงเหลือร่างกายสังขานนีน้ถ้ายังไม่ถึงฝั่งยิ่งไม่ใส่ใจยิ่งต้องรีบรีบขนขวายผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าร่างกายนี่เหมือนเรือเหมือนรถจิตของเราคือคนนั่งอยู่บนรถบนเรือลำนี้ที่จะข้ามไปถึงฝั่งถึงที่เป้าหมายคนโง่จะมัวมาประดับร่างกายอ น, นี้มาประดับรถประดับตกแต่ง ตบแต่งกันจเหมือนคนประดับรถศพนะเนี่ยเอาลวดลายนั้นมาประดับเอาสีนี้มาแต่งเอาผ้านั้นมาห่อรูปร่างสวยงามก็ติดอยู่เนี่ยเลยไม่ได้ไปถึงฝั่งนู้นซะอายุของคุณคุณได้มาเท่าไหร่เนี่ยแต่ละคนได้มาคอกีนี้มันก็ยิงใบยองเทบตายแล้วมันว่ามันได้อะไรมาเนี่ยจริงๆไม่รู้จะเสื่อมวันไหนไม่รู้จะตายวันไหนแต่เราก็พอใจกับร่างกายสังขารอันนี้ที่ได้มาเนี่ย พอใจกับการกับงานกับหน้ากับตากับอะไรนี้เนี่ยมาชื่นชมแล้ววันวันหนึ่งก็ปล่อยจิตให้วิตกกังวลกับเรื่องพวกนี้จริงๆริเราได้มาน้อยเดียวเองอาจจะตายวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่รู้ฉั้นอายุที่มีเนี่ยมันเหมือนกับอายุเวลาที่เราจะขี่เรือข้ามฟากเนี่ยเขาให้มาเท่านี้เองมั่นใจเลยว่าข้ามได้อายุเท่านี้ย มั่นใจหรือว่านั่งบนเรือลำนี้แล้วจะพ้นฝั่งไปพ้นวัฏฏะสงสารพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เนี่ยพ้นจากสมมุติธรรมพวกนี้ไปได้มั่นใจเหรอแล้วทําไมต้องมัวไปจอดไปยาไปประดบตกแต่งไอ้ร่างกายสังขารเอาจริงเอาจังซื้อนันมาปะเอานี้มาทาอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เนี่ยไม่รีบเดินเหรอ ไม่รีบขึ้นเรือหรือไม่รีบก้าวจ้ำเอาจ้ำเอาพายสติเป็นถังเสือปัญญาเป็นไม้พายใจเป็นคนนั่งไปดิจะข้ามฝั่งก็ข้ามไปบางคนแก่จะตายแล้วบงดียังไม่ได้ปฏิบัติทำเลยยังไม่ได้รีบจะแจวเลยเนี่ยเรือมันจะพังอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนไฟมันจะไม่บ้านนะนะไฟจะไหม้บ้าน ถึงจากการนวสานและชีวิตเนี่ยความโลภโกรธหลงเข้ารุมเราร่างกายก็จะแตกดับโดยธรรมชาติเรายังไม่คิดว่าจะหนีออกจากร่างกายอันนี้จิตเรานะ่ยเรายังมาเพลินจะรักษาอันนั้นจะรักษานี่จะตกแต่งอันนั้นจะอะไรอยู่ห่วงหาอะไรกับร่างกายสังการนด้อยู่ใช่หรือแบบเนี้ย พระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่ทางนะนั่นไม่ใช่อริยมรรคนะไม่ใช่หนทางเ น, นี่ยการจเจริญสติในโดยย่อเนี่ยคือมรรคเราจะก้ามพ้นนี้เข้าไปไปสู่ความเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสพอรู้รูปรู้รน้ำสติอยู่ก็รูกูกน้ำโอ้มันเข้าใจทีแรกว่าจะเป็นแบบนี้แหละรู้รูปน้ำกระวางรูปวางน้ำได้ คนรูปน้มไม่กลัวผีนะความว่าผีมันหายไปความกลัวนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของไมันไม่มีเนี่ยแก็ปล่อยวางรูปได้จีถ้าปัญญามันเกิดอีกหน่อยถ้าสมาธิมันดีขึ้นสมาธิมันดีขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้รี่หน่อยอาจจะวันสองวันก็ได้หรืออาจจะชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้น สินาที5้านาทีสองนาทีหรือพลุบขึ้นพร้อมเดียวกันก็นได้มันจะเกิดการรู้แจ้งนอกจากเห็นรูปเป็นนามนี้แล้วมองไปข้างโน้นมันจะกลายเป็นสมมุติไปหมดเลยอะจำแจม่มโอ๊ยอันนั้นสมมุติอันนี้สมมุติอนนมมตพอรู้จักว่าเป็นสมมุติมันก็จะถ่ายถอนมันก็ไม่ไปยึดติดไอ้ที่สมมุติเนี่ยเราติดเงินเหรอติดเงินมันก็จะรู้แจ้งเรื่องสมมุติเรื่องเงิน สมมุติว่าสวยว่างามถ้าเราติดกิเลสตัณหาแล้วค่ะมันก็จะรู้จักสมมุตินั้นคือมันจะเกิดความรู้ชนิดที่จะทําให้จิตนี่มันถดตัวนะมันถอยกําลังในการที่จะไปยึดเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดการคลายคืนกิเลสตัณหามาท่านไหนปฏินิสโกมันจะสนัดขึ้นไปทั้นจิตมันก็จะถอยตัวกลับมาคือปัญญาเนี่ยอย่างที่ว่าพอเกิดมิปัสนาญาณเห็นการตัดจุดตัวนั้นเนี่ยมันหดตัวกลับคืนมาเนี่ย มันไม่ปรุงแต่งแล้วเหมือนกับมันเกิดการรู้สมมุติแบบนี้แหละเหมือนรู้รูปนามเนี่ยมันก็จะหดนิดนึงเนี่ยรู้สมมุติก็จะหดมาอีกหน่อยนึงคือมันไม่ยื่นออกไปละจิตนี่มันไม่ยื่นออกไปไปแสวงหาอะไรสักอย่างเพราะรู้ยื่นออกไปเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นพอยื่นออกไปเท่าไหร่ก็อนิจจังเท่านั้นทุกขังเท่านั้นอนัตตามันไม่มีเรายื่นออกไปตามที่เราเราหลงเนะ่ะแต่ความจริงมันมีไม่สิ่งที่เราเห็ น, นเป็นภาพลวงตาเท่านั้น พอมันเกิดแสงไฟสว่างไปโอ้ยไม่งมและไอ้พวกนี้ที่ผ่านมาเป็นสมมติไปหมดเลยจิตมันก็ถอยคลื่นมากลับมาอยู่กับปัจจุบันมันไม่หลงไปตามสมมุติละทีถ้าปัญญาคุณมากกว่านี้คุณสามารถอยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมได้มากกว่านี้อริยสัจคุณจะปรากฏอีกรอบที่สองที่สามอริยสัจเนี่ยเขาจะวัดการเห็นความจรงิง แบบรู้แจ้งคือรู้แค่ทุกข์ที่แรกเรารู้แบบนี้นะมันคิดขึ้นมาเป็นทุกข์คิดมาเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความคิดนะฮะตราบอกว่าเกิดจากอวิชาวชา <c ười> คือมันไม่รู้แจ้งมันไม่รู้แจ้งมันจึงคิดอันนี้นะที่มันคิดเนี่ยเราคิดถึงลูกถึงเมียถึงผัวถึงครอบถึงครัวถึงทรัพย์สมบัติถึงโน่น ถ, ถึงนี่เพราะอะไรเพราะเราหลงไงมันไม่รู้แจ้งพอไม่รู้แจ้งมันก็คิดว่ามันมีอันนี้อันนี้มี เป็นผลของการไม่รู้อันนั้นเราเลยไม่ยึดอันนี้จากวัดมาก็ห่วงวัดจากบ้านมาก็ห่วงบ้านจากเรือนชานบ้านช่องจัดจศถาบรรดาศนักต์ต่แหน่งหน้าที่มันห่วงอันนั้นน่ะพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดการรู้แจ้งมาก่อนจิตนี่มันไม่เกิดการรู้แจ้งมันก็เลยยึดติดเป็นอะไรติดเพราะอันนั้นติดอันนั้นไม่ใช่ทําเล่นๆในปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้ามันไม่เกิดปัญญาระดับนั้นก็เรียกว่ามันไม่ได้ถอนทุกได้โดยสิ้นเชิงนะทุกเนี่ยไม่ใช่มาสมมุติทําพอเป็นพิธีไปวันวันไม่ใช่นะปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามถ้าคุณทําถูกทุกคุณหมดแน่ๆทุกเราดับได้แน่ๆนะเราไม่ต้องการก็ตามหรือเราจะต้องการก็ตามถ้าเราทําไม่ถูกต้องการขนาดไหนก็ตามบนบานสาร้างเก่ามันก็ไม่เกิด สัจจะอันนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยนั้นเราทำเนี่ยเราลึกรู้เห็นตามความเป็นยังไงรู้ๆเฉยๆรู้เฉยๆรู้สัมมาทิฏฐิเปื้องวัดรู้ตรงๆเห็นตรงๆจนกระทั่งว่าเห็นความคิดมันเกิดก็รู้คิดเกิดแล้วนะเนี่ยเป็นอวิชชานะนะมันยังหลงเข้าไปอยู่เนี่ยที่มันเข้าไปเพราะมันอยากมันอยากเขาเรียกว่าตัณหาตัณหามันอยากมันจึงคิด ามันไม่อยากมันก็ไม่คิดอยากด้วยความโลภอำนาจความโลภความโกรธความหลงหรือหลงว่ามันดีมันไม่ดีมันจึงอยากครัมันเกิดความหลงเข้าไปมันก็เลยเป็นความคิดนิโรธลนะ่ะนิโรธถ้าคนรู้รูปนาะมขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยแจมแจ้งขึนมคือเราตัดความคิดได้หน่อยนึงทีแรกมาตัดความคิดได้เอามันไม่ทุกหนี่ตัดความคิด บางคนเร่มได้แสงสว่างในน้อยโอ้ความคิดทาราตัดเนี่ยมันไม่ทุกเนอะอย่างหลายๆคนบอกยมตัดความคิดหน่อยดิอย่าไปเล่นกับมันความคิดไม่ยอมตัดนะตัดไม่เป็นบางคนติดมันติดความคิดเนี่ยยิ่งตัดยิ่งติดเพราะว่าการตัดเนี่ยคือการตัดใจอะ ตัดใจอยากมันไม่ใช่ว่าตัดความคิดน้อยๆ เ, เอาอะไรไปตัดทุกอย่างมันเราไม่มีดาบกายสิทธิ์เราไม่มีวัชระยานวัชรยานความรู้ความอย่างรู้หรือการรู้แจ้งประดุดดังเพชรวัชระเปวผเพชรขีดแจ๊กในกระจกนะตัดเปาะเราไม่มียานแบบนั้น นั้นบอกให้ตัดเราก็ได้จะ ต, ตัดแบบสมมติตัดทิ้งไปในเมื่อเกิดมาใหม่ตัดทิ้งไปก็เดิดมาใหม่อันนี้แหละที่เราต้องลึกลึกรู้ไปเรื่อยๆต้องสะสมตัวรู้สึกตัวจนต้องว่ามันมีวันหนึ่งนะเนี่ยการสั่งสมทีนี้เขาเรียกว่ามักมักแปลว่ารู้สึกตัวขยันนะเนี่ยรู้สึกสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นขณะที่รู้สึกตัวนี่เห็นไม่เห็นกายไหมเห็นเนี่ยสัมมาทิฏฐิ เห็นความคิดไหมเห็นเนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นตรงตรงเห็นเฉยเฉยอย่าไปปรุงมันอย่าไปคิดหาธรรมะธรมูอะไรทั้งนั้นดูธรรมชาติมันเกิดมันดับเฉยเฉสัมมาทิฏฐิสัมมาสร้างกับปะอย่าไปคิดอะไรอะนะอย่าไปดำริหาการมหากิเลสหาอะไรแต่สังเกตเฉยเฉยว่าเออความคิดมันดับไปนี้นะมันเกิดไปนี้เนาะเราต้องทําแบบนี้นะเลยประมาณ ส ม, มาวาจาพูดถูกส ม, มาวกรรมตระทำการงานทำการทำงานก็คืองานเพื่อการดับทุกข์อันนี้แต่ทีนี้เราทำการงานแบบไหนเ น, นี่ยเพื่อดับทุกข์ไหมไม่ทำงานจริงๆเนี่ยสังเกตจะมาดูตอนเช้านี่นะบางคนก็าทำงานไปปดัดไปกวาดคนที่เคยผ่านปฏิบัติธรรมเขาไหนเขาจะเขารู้จักปัดกวาดออกกําลังกายเขาทำงานเพื่อการดับทุกข์ เขาไม่ได้ทำงานเพื่องานเขาทำงานเพื่อทมทำอย่างนั้นได้งานด้วยแต่คนนั่งอยู่จะได้แต่ทำแต่ไม่ได้งานอันนั้นเขาทำงานแต่ได้ทำทำทอโลหันเนี่ยคือทำงานทุกอย่างในจุดประสงค์เพื่อการบรรลุธรรม เพื่อการสลายอัตราตัวตนเพื่อการดับทุกข์นะคนนี่มันเท่ากันนะตัวเท่าควายแต่ละคนเนี่ยนะแต่จิตความคิดเสียสละเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะข้าวเนี่ยกินมาปุ๊บร่างกายนี่มันมีกำลังพอเราไปทำงานมันก็เหนื่อยแต่ไปกินข้าวกินน้ำอีกมันก็แข็งแรงขึ้นมาอีกมันไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ในขณะนี้กันเราอาศัย กำลังเนื้อตัวเราเนี่ยถ่ายถอนกิเลสตัณหานี่ออกกําจัดความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจความมักง่ายความอัตตาตัวตนนี้ให้มันสลายออกไปพร้อมกับการกับงานนี้มันสลายไปเรื่องหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอว่าเอาเหงื่อเนั่ยมาล้างอัตตาตัวตวนเอาเหงื่อนี่ยมาอาบต่างนะ้ํามนต์พรมใจเราแล้วเราจะฉลาดขึ้นจิตเราเนี่ย บางคนเนี่ยมันนะจิตเสียสละมีน้อยลงุงตาบอกว่าถ้าคุณทำงานสูงสูงเป็นเนี่ยคุณจะลืมทำงานที่ต่ำที่สุดด้วยเพราะทำงานสูงแล้วคุณจะหลงสูงถ้าคุณทำงานต่ำที่สุดแล้วคุณจะไม่กล้าทำงานสูงคือต้องทำให้มันเป็นเรื่องสองงานให้มันเป็นเหมือนกันนะทำนิพพานกับล้างซ่วมเนี่ยให้มันเป็ น, นเดียวกัน เมื่อกี้โยมคนหนึ่งมาจากแกมมี่พอลงตาพูดทีปกติเขาไม่เคยอะบ้านเขาก็เหมือนเครือข่ายเขาไม่เคยที่คิดจะล้างส้วมล้างอะไรทำสะาดด้วยนี่ว่า ม, มีแต่คนใช้มีแต่โ น, นแต่นี้แต่พอนี้ปุ๊บเขอบอกไปเอาคนไปหาล้างส้วมมาทําสะอาดว่า น, นี่ก็ล้างสองวันเดินเข้าไปเอาเอาล้างส้วมอีกแล้วล้างส้วมอีกแล้วทําไมจะล้างส้วม ผมซาบซึ้งกับคำพูดหลวงตาว่าทำงานสูงสุดเป็นเนี่ยจะต้องทำงานที่ต่ำสุดเป็นหรอบของเรามีไม่แบบนั้นไม่มีมีแต่หนาวชีวิตเนี่ยแล้วเมื่อไหร่อัตตามันจะสลายคุณคิดว่าจะมารอแต่รู้สึกตัวนี่เหรอรู้สึกแบบอัตตานะี่ยเนี่ยไอความรู้สึกตัวคุณกลัวไปทั้งหมดเลยกลัวงานกลัวการกลัวนนกลัวนี่ไปหมดนั่น คือมองทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะทําเพื่อสลายอัตตานอนนอนเพื่อการบรรลุธรรมกินเพื่อการบรรลุธรรมตื่นเพื่อการบรรลุธรรมทำการทํางานเสียสละอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการกันสละอัตตาตัวตนออกเราไม่มีได้เกิดมาเนี่ยถามว่าเราได้อะไรเราไม่ได้อะไรหรอกเกิดมาเนี่ยแล้วเสียละ่ะเสียแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกเกิดมาเนี่ย แม้แต่เสียเนื้อเสียตัวเสียมันก็ไม่มีอะไรเสียหรอกเราสมมุติว่าเสียเฉยๆเสียเหงื่อหรือเสียหน้าเสียตาหรือเสียมันไม่มีแต่ถ้าเราอยากให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นในจิตเราจริงๆเนี่ยเราต้องสลัดไอ้ความยึดมันม่นถือมั่นคนนี้ออกไปอเขาเรียกว่าสัมมากัมมันตะทําการทํางานเพื่อการสลัดอัตตาตัวตนเนี้ยสัมมาอาชีวะ เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพแหละที่เนี่ยสัมมาสติที่เนี่ยถ้าเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพคือตั้งใจปฏิบัติจริงๆเนี่ยสัมมาสติคือตัวรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆที่เป็นสัมมาสติเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อก่อนมันไม่ค่อยสูงขึ้นเป็นสัมม า, าทิฏฐิก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแต่พอมันจะโตขึ้นจริงตรงสัมมาสติแล้วเป็นสัมมาสมาธิ สมาสมาธิก็คือเห็นชัดเจนนเห็นตรงตรงเลยทีนี้พอคิดตั้บดับป๊อบคิดป๊บดับป๊อบมันตรงอ่ะสัมมาแปลว่าตรงเห็นตรงๆรงมันไม่ได้อ้อมค้องละไม่ได้โก่งโค้งละต่อมาเนี่ยเห็นกันตรงตรงปะทะกันตรงตรงเลยเห็นปุ๊บดับปุ๊บเห็นปุ๊บดับปุ๊บแล้วมันจะเกิดวิปัสนาญาณเกิดการสปาขึ้นมาในจิตเราเนี่ยสติมันปะทะกับความคิดเนี่ยมันเห็นคือมันต้องมี มีสมรรถนะที่เท่ากันนะจึงจะเกิดวิปัสนาญาณแต่ละครั้งได้ถ้าสติคุณแน้นอนแล้วความคิดที่เป็นตันหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันป้วนเปี้ยนไปในเรื่องคิดแล้วแต่มันจะคิดไปอ่ะเราก็รู้อยู่ว่ามันคิดแต่สติที่รู้เนี่ยทําอะไรมันไม่ได้เลยมันยังคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปบางทีก็คิดตอนนี้ก็ดับได้บ้างบางทีก็คิดไปอันนี้เขาเรียกว่ามันยังไม่รู้แจ้งเรื่องอริยสัจ อันนี้นะภาวะแบบนี้นะสติเนี่ยมันไม่มีอนุภาพสติตัวรู้นี่นะเขาจึงให้เป็นสะสมตัวรู้นี่เยอะๆสติมันมากขึ้นมากขึ้นเป็นสมาธิแล้วปัญญาเกิดตอนไหนรู้แจ้งรีสั์คือพอมันแวบขึ้นมาเนี่ยพอกระทบขึ้นแล้วเกิดการสะปากสว่างเหมือนฟ้าผ่าในใจอ่ะ นั่นะการรู้แจ้งเนี่ยเขาเรียกว่าการรู้แจ้งอริยสัจการเห็นความจริงของพระริจเจ้าคือเห็นแบบนี้แล้วกิเลสมันจะดับไปรู้แจ้งครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นโสดาบันอย่างที่บอกครั้งที่สี่เป็นพระละหันทีนี้ถามว่าการรู้แจ้งแบบนี้มันเกิดขึ้นในจิตกี่ครั้งคนที่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าสติคุณในน้อยนะมันไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้ได้ เราก็จะได้ไปปฏิบัติทําพอเสริมบา ร, รมีไปวันวันพระเขาบางรูปบางองค์จนแก่นะเกือบจะตายนะจึงจะเป็นอันนี้ก็มีนะรู้สึกตัวทุกวันทุกวันขยันเราเนี่ยนักภาษาอะไรเอาทำเล่นเลน้อยแล้วไปนั่งคุยกันบ้างอะไรบ้างสวนเสียเอาเรื่องอยู่บ้านอยู่ช่องมาคูดมาคุยกันแล้วสติจะต่อเนื่องเมื่อไหร่สติปฐานสีบอทาให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ตั้งแต่เกิดตื่นนอนตื่นนอนมาจับตัวรู้เลย ต่อเนื่องเลยจนกระทั่งหลับตอนเย็นเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มเลยเราไปหลับเนี่ยให้มันต่อเนื่องนี่ทําเป็นไหมไม่ใช่ว่าตอนออกจากนี้ไปเดินไปก็ลืมหมดเนี่ยมันก็ไม่เป็นนะแต่มันจะเกิดวิปัสสนาญาณ น, น้อยๆอยู่วิปัสสนานี่มันที่เกิดน้อยก็เข้าใจเรื่องนั้นโอ้เข้าใจแล้วนี่จีิล้น้อยแล้น้อยไปบางคนเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้าง ตราบใดที่สติเราอยู่กับตัวเองเนี่ยและลึกรู้อยู่สมาธิมันพอมีมันจะเข้าใจผัสสะอันนี้แบบรู้แจ้งทีละน้อยทีละน้อยแต่ว่าจะรู้แจ้งแบบแจมแจ้งแบบตัดเพาะแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีมันจะยากเพี้ยนไวแต่บางทีบางคนเนี่ยรู้รูปนามแล้วเนี่ยเขาปกครองตัวรู้ได้ต่อเนื่องเลยเขาสามารถดับทุกภัยได้หนึ่งวันภายในหนึ่งวันนี้เขาทําได้เลยสิ้นสุดสิ้นพบสิ้นชาติดับทุกได้ แต่บางคนพอได้อารมณ์แล้วมันจะดีใจบางทีหลงบางทีก็สงสัยบางทีก็เครียดอยากบรรลุทาหนักกระปวดหัวปวดตาเข้าไปตั้นหามันแทรกตั้นหามานะทิฏฐิคนเป็นวิปัสสนาก็คือเวลามันรู้รูปรู้นามแล้วมันคิดมันสำคัญมันหวกูก็รู้กูรู้แล้วมันมีแต่อยากอธิบายให้คนอื่นฟังนะ มันไม่ได้ใส่ใจที่จะประคองตัวรู้สึกตัวอันนี้แต่มันนึกถึงคนโน้นนึกถึงคนนี้ไปโน้นอยากบอกคนนั้นคนนี้เนี่ยมันหลุดเพราะอันเนี้มันหลุดมันไปกับอารมณ์อย่างที่จะแทนที่จะพอรู้แล้วเออมาเริ่มเป็นสมาธิแล้วต่อเนื่องแล้วสามารถทะลุไปได้ในแต่ถ้าอยากมากก็อีกแหละติดอารมณ์เนีกแหถ้าดีใจก็เสียอีกแหละคือเส้นทางนี้ของไม่ให้ดีใจและไม่ดีใจ เขาให้รู้สึกเฉยเฉยเฉยเฉยกับภาวะที่ปรากฏเนี่ยนั้นเขาบอกให้เฉยกับธรรมารมณ์อารมณ์ที่มันเป็นธรรมะที่มันปรากฏขึ้นในจิตเนี่ยเฉยกับมันเป็นไหมถ้าทําอย่างนี้ได้นะคุณจะรู้แจ้งเรื่องของอริย ส, สัจสัจญาณกิจญาณกัตญาณมีปริวัตรสามในอาการ12ที่เราสวดเมื่อกี้เนะทุกสมุทัยนิโรธมักสัจญาณเกิดขึ้นในทุกสมุทัยนิโรธมักกิจญาณเกิดในทุกสมุทัยนิโรธมักนี่ย กตยานเกิดสุขสุโมทัยนิโรธมากำหนดรู้กำหนดละกำหนดประหารปรากฏนี้ประหารนภริยาตยนะปริญญาภาวะพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยอริยสัจสี่สี่คูณสามสามสี่สิบสองอาการนี้มันจะปรากฏขึ้นในใจชั่วพริบตาเดียวเพียงแต่ว่าเราทำตัวนี้ให้มันต่อเนื่องเท่านี้จะทำที่ไหนก็ได้ที่บ้านที่เรือนที่หลับที่นอน ปลากฎการของสัตว์จะทำมเนี่ยมันเหมือนกับเติมน้ำใส่ตุ่มหรือคุณเท่าไหร่จะคุ้นกับเขาว่าชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ชาร์จเท่าไหร่ก็ตามอะถ้ามันไม่มีหัวเทียนมันก็ไม่เกิดพวกทำสมถะเยอะเนี่ไม่มีหัวเทียนมันไม่มีไม่มีบอกว่าจะให้ไปต่อตรงไหนเนี่ยมันไม่ออกแสงแต่เราฟังอย่างเงี้ยเข้าใจเวลาตมาพูด เข้าใจแต่ว่าไฟมันไม่มีคุณมีหัวเทียนจริงเนี่ยแต่แบตคุณไม่มีสติมันไม่มีพอไปเดินที่ก็ ม, มีแต่ความคิดพอไปเดินที่ก็ ม, มีแต่ความปรุงแต่งในจิตอิจฉาคนนั้นเกลียดคนนี้หลงตนเองสําคัญบรรหมายว่า ก, กูเป็นนั่นเป็นนี่จิตเพลินทาไปนี่จะทำนูน่นทำนี้จิตมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ย แล้วจะเกิดอริยสัจขึ้นมาตอนไหนอ่ันการเข้าถึงสัจจะหรืออริยสัจจะเนี่ยสัจจะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราประคองไอ้ความรู้สึกตัวสติเราเนี่ยทำทำสติธรรมดาให้เป็นมหาสติซะให้มันรู้ตัวทุปร่อมันต่อเนื่องซะแล้วมันจะหลุดไปแต่ถ้าเราผิดนะไปเพ่งไปจ้องเหมืนหัวเหมื่นหน้าหมือนตามีหมดแหละแต่อย่าไปทอแท้ใจ คุณต้องเอาความตายวัดปฏิบปธรรมเนี่ยอย่าไปกลัวมันมันคิดได้เล็กไน้อยมันเจ็บมันปวดเล็กๆน้อยมันง่วงมันเหงาเนี่ยอันนี้เราเป็นเรื่องประลองกําลังคล้ายๆการบ้านนะเขาให้โจทย์หนึ่งคูณหนึ่งทีแรกรู้สึกตัวน้อยๆอย่างมาจากบ้านเนี่ยผัวไม่ให้มาเนี่ยหนึ่งคูณหนึ่งเองนะนี่หนึ่งบวกหนึ่งบวกได้ไหมถ้าทําโจทย์ข้อนี้ได้ก็มาได้อา้าติดโรกนะ่ะ สองลบหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะมันจะยากขึ้นได้หน่อยเอาตัดได้ซับสมบัติบริษัทเป็นนั้นเอาสองอหารสามได้เท่าไหร่บาทีเราก็เฮ้ยสอนคั้งน่ได้สอง ส, สอนเท่าไหร่ได้สามว่าสองสา ม, สา ม, สามได้เท่าไหร่วะเนี่ยมันจะงงๆไปสักหน่อยคุณจะไปงง โจ์แก้สมการแก้อะไรนี่ออกมาให้ได้เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมากมันพลิกแพงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองตัวสมมติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็อยู่ที่ตัวเลอะลึกรู้เรานี้แหละถ้าเลอะลึกรู้น้อยนะสติใน้อยนะมันไม่สว่างให้ใจเนี่ยแต่ถ้าปัญหามันเยอะแยะถ้าจิตมันสว่างใจมันล่งอยู่แล้วเฮ้ยจางหัวะมาเนี่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรสมมุติเฉยๆแล้วมันไม่มีอะไรมากหรอก ไม่มีใครแก่ไม่มีใครตายหรือแม้แต่เราเองนี่อาจจะตายจากเขาก็ได้จิตมันคิดใกล้ๆตัวมันไม่ไกลตัวปัญญาเนี่ยอย่างเขาบอกว่าโอปะยียโกสภาว่าจิตที่เข้าถึงทําแล้วมันเป็นโอปะยียโกคือมันคิดใกล้ตัวคิดอยู่ภายในตัวเองมันไม่ได้คิดออกไปนอกกรอบเพื่อบ้านเพื่อเมืองพวกมันนั้นมันละเรื่องกันแล้วนะเราก็ไปเฝ้าดูดิ ถ้าเราปฏิบัติดีนะสูปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติให้มันดีนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงตรงหลังจากปฏิบัติดีแล้วก็ต้งตรงตรงไปสู่การดับทุกกําหนดรู้เลยเนี่ยกิเลสมันเกิดเห็นมันนี่ดับมันไม่ต้องไปเ อ, อื้อเลืเยย้อยทำเบญโ น, นมิตบางทีจะกําหนดรู้จะปริกรรมหนึ่งสองสามสี่ห้พุตโตภาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับปองน้อยอยู่ อย่าไปโค้งไปนั้นตรงตร ง, ตรงลงไปเลยมันง่วงก็สู้กับง่วงเลยมันคิดก็ไม่ต้องกลบเกลือนดับมันไปตัวคิดเนี่ยสลายมันไปทิ้งไปกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวสติส ต, สติเป็นตัวดูตัวรู้นีรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยเนี่ยอุชุ ป, ปฏิปันโนเลยเนี่ยปฏิบัติตงเลยญาญาปฏิปันโนญาญาปฏิปโนบางทีมันทุกปฏิบัติเพื่ออ อ, อกจากทุก ออกจากความคิดนั่นแหละปฏิบัติเพื่อออกจากความคิดไม่ได้หมายว่าเอาความคิดเอาคําบริกรรมมากลบมันไว้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นอุชุปฏิเมโนูยายะปฏิปนุสามีจิปฏิปนุปฏิบัติจนมันถึงนะ่ยจนสมควรทําย่องสมควรเกียรติทำถ้าสติคนน้อยนะความคิดมันเยอะคิดเดชะมันเยอะเนี่ยมันจะสมควรกันหรอือมันไม่สมควรมันไม่ดับ เมื่อล้วหาบของสองสิ่งเนี่ยด้านนี้ตะกาอันหนึ่งด้านหลังอีตะกาอันหนึ่งอันนี้ไม่คานกิเลสนี่มันนั่งอยู่ในนี่ลอยตัวธรรมสติอยู่ด้านหลังเนี่ยได้สองตัวเองเราเพิ่งจะมารู้สึกตัวได้สองวันเนี่ยกิเลสน่ยนั่งมาอยู่ห้าสิบแปดปีแล้วมันก็จะคว่ําลงมาทางนี้ดิฮันต้องเก็บใส่โ น, น้นรู้สึกตัวใส่ใส่ใส่จนกระทั่งว่ากิเลสนี่ไม่มีน้ําหนักเลยมันคว่ํากระจายกลับคืนไปทางหลังหมดนะ ต้องเติมใส่ทั้งโน้นสติขันติวิทยาสัสตร์อธิษฐานใส่เต็มที่เลยเคยอธิษฐานไหมจะไม่เยี่ยวไม่ขี้ละเดินจย ก, กมเนี่ยเอาเป็นเอาตายถ้าไม่บรรลุธรรมเนี่ยหัวเหี่ตีนขาดถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าวันนี้ปฏิบัติบูบชาละลงทุนไม่ป่านั้นเคยมีอธิษฐานสัจจอธิษฐานเคยตั้งไหม ในตำราเขาจะบอกไว้เป็นสเต็บสเ็บนะเออทำนี้นะอธิษฐานทำนี้นะฐานแบบนี้ปล่อยวางแบบนี้นะอดทนแบบนี้เขาสอนไว้เยอะนะแต่พอกิเลสมาเนี่ยหมดเลยมันไปกับกิเลสมดนะแล้วภาพของนักสู้ทหารของพระพุทธเจ้าน่ะคืออะไรมันอยู่ตรงไหนเรามาเป็นนักสู้นะเนี่ยมาเป็นทหารของพระพุทธเจ้านะ นักสู้กับกิเลสใครต่อสู้กับกิเลสได้พระพุทธเท่านเรียกวบุตรของเราบุตรของเราได้เกิดแล้วบุตรของเราได้เกิดแล้วบุตรที่เกิดจากการสอนไงสิทธิยะลูกสิทธิ์ลูกสิทธิ์ศิษธิษยะแปลว่าสอนลูกสิทธิ์เป็นลูกที่เกิดจากการสอนลูกที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนคําบอกคํากล่าวแล้วเมื่อเกิดการคลอดวิปัสนาญาณมาเป็นการรู้แจ้งเข้าถึง กลุ่มของสคู่8บุรุษนะเอสะปะกวาโตสะปะกสะโงนี่แหละลูกของพระพุทธเจ้านี่แหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอสะปะควโตนะแค่นี้นะนอกนั้นไม่ใช่นะถ้ายังไม่บรรลุธรรมเนี่ยสะปะกสะโงนี่แหละสงสาวกของพระผู้มีพระเราจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราจะปฏิบัติทำเพื่อเป็นอย่างนั้นถ้าทําแบบ ไม่เข้าใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆหอ บ, น, อ น, หอบนุ่นหอบนี้ไปเรื่อยๆจิตเราเนี่ยเราจะไปชื่นชมบา ร, รมีองค์นั้นบา ร, รมีองค์นี้เอาบา ร, รมีเรานั่นแหละมันมีอยู่แล้วในเราเนี่ยใจก็มีอยู่สติก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราทําให้ไม่โตเท่านั้นเองพอไปเจอปัญหาหน่อยเนี่ยวิริยะไม่พอเห็นไหมเวลาทํานี้ปุ๊บทีแรกก็ศรัทธาอยู่แต่ศรัทธาจริงๆในอันเดียวกันนะคือใจ เขาใช้คำว่าเจโตวิมุตย์ไง พ, พระารราษร์เนี่ยเจโตวิมุตย์คือเอาใจฆ่าหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งจิตอํานาจสมาธิกับภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตย์ทีนี้คือเอาใจฆ่าเอาเลยศรัทธาตั้งใจมณีด้ศรัทธาแต่ละคนเนี่ยแต่พอไปเจอง่วงหมอบเพราะอะไรศรัทธา ม, มัพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นวิทยะ วิทยาคือกล้ากล้าสู้กล้าชนกล้าไหมเนี่ยถ้ากล้ามก็จะผ่านได้เนี่ยแต่นี่ไม่แล้วตื่นมางงงงเงาเงาเลยว่าไอ้ไม่ลุกดีกว่าป่ะวิทยามันไม่มีมันไม่มีมมมจริงจรงเนี่ยขบวนการค้นหาสัจธรรมตามหลักของพระศาสนาก็คือความเพียรธรรมชาติของเรานี่เองอะ่ะเพียงแต่ว่าอย่าไปอยู่กับเวทนาความพอใจไม่พอใจนะ กล้ากล้าที่จะฟันฝ่าอุปสรรคมีวิยิยะมีวิิยาแล้วก็ต้องมีตัวระลึกรู้อย่าให้มันลุดแท้จริงพูดวันไนันไหนก็จะคลา ย, ลายกันเพราะว่าจทจริงคำสอนพนุทธเจ้าเนี่ยพูดให้เยอะก็เยอะพูดให้น้อยก็น้อยถ้าพูดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือ8 4 0 0มื่นสัมัธมขันเนี่ยรู้สึกตัวจริงๆแล้วดูใจให้มันได้ต่อเนื่อ ง, องทังนที แต่ถ้าดูปัญหามันคืออ้าวเพราะมันดูใจไม่ได้ก็มันแยกมาดูอันนั้นไปใครดูยังไม่ไหวก็พูดเพิ่มเติมก็ไปพูดโทรไปหนึ่งสองสามเยซูแล้วจะว่าเติมเข้าไปจริงๆก็คือให้จิตมันอยู่นแ่แหละแต่เวลาค้นหาจริงๆนะ้นเนี่ยคือรู้สึกเฉยๆแล้วดูไปเลยเลยประคองเลยเลืกลู่เฝ้าดูไปมันก็จะปรากฏเรื่องของอริยสั์ขึ้นมาเองดยธรรมชาติ เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างเงี้ยทุกข์ที่มันแวบขึ้นมาอ๋ทุกข์เป็นอย่างนี้เนาะแต่ก่อนทุกข์เพราะไม่มีเงินทุกข์เพราะเจ็บแย่งเจ็บขาแต่หลายๆแห่งนะที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะสอนนะทุกข์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนขานี่นั่งอยู่นั่นแหละดูมันทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกเจ็บขาดูจนทั้งมันสลายไปทุกข์ที่ไม่มีตัวตนผิดนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ผิด แต่มันก็ไม่ผิดนะมันไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอุบายในการดูแบบหนึ่งแต่ว่าทุกทางกายเนี่ยมันไม่ใช่อริยสัจนะเนี่ยมันเป็นทุกขเวทนามันไม่สลายหรอกมันเจ็บมันปวดมันก็ปวดแบบนั้นแหละแต่ทุกทางจิตเนี่ยเวลามันทุกเพราะอะไรเพราะความพอใจความไม่พอใจความไม่สบายกายทุก ในขันห้าคือการยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจฉาคือความปรุงแต่งทุกในปฏิจจสมุปบาทมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเลยนะมันเป็นความคิดเป็นอุปาทานขันว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกนะสร้างกิเตนะปัญจุปานขกันดาถูกฆ่าเราจะสลายอุปาทานในขันนั้นเวลามันปรุงแต่งมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราเห็นปุ๊บมันดับคิดปุ๊บดับให้มันเป็นอนัตตาอันนนนะอนัตตา มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราปล่อยว่ามันก็ดับแต่ร่างกายนีนกําหนดยังไงมันก็ไม่ดับอันนี้มันเจ็บก็เจ็บอยู่นั่นแหละเป็นโรคก็เป็นโรคอยู่เงี้ยแต่เราสอนกันมาก็คือให้มองย่อยทำมันหยุดปวดมอนย่ทยทำมันหยุดเจ็บคือเขาให้เข้าใจเขาไม่ให้เอาสมาธิมาฆ่าให้เข้าใจมันโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะมันเจ็บมันปวดเอาพอขยับดูดิ่นี่ขยับด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะ มันอยากขยับเนี่ยลองดูดิมันเป็นความจริงไหมแช่อยู่นั้นอยากขยับสักสิบครั้งเนี่ยค่อยขยับมันมันจะรู้จักว่าเป็นความจริงแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นตามสัญชาตญาณมันก็ไม่ใช่วิปัสนาสะละที่เนี่ยก็คือถูกหลอกถูกหลอกให้ขยับตามสัญชาตญาณแต่ไม่ใช่ปัญญาญาณแต่จะรู้เห็นตามความจริงเลยมันจะเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เหลือแต่จิตอย่างเดียวทีเนี้ย เรารู้รูปนามเนี่ยเข้าใจเรื่องกายล้วแจ่มแจ้งแล้วเราไม่ทุกข์กับมันอะไรเกิดขึ้นในกายเราเห็นแจ้งไม่ทุกข์ไม่ต้องดูเลยทีนี้เหลือแต่เรื่องจิตอย่างเดียวอะเกิดดับยังไงแล้วก็มาเฝ้าดูเฉยๆนั่งกอดเขานี้ก็เห็นนะนะเราจะนอนอยู่เราก็เห็นนะปรากฏการ่์นี่มันก็เป็นอย่างแล้วมันจะลึกลงลึกลงลึกลงเรื่อยๆตามกระแสตามอํานาจของสติที่เรามาอยู่ความมั่นคง มันจะเข้าไปลึกๆๆๆเข้าไปอย่างภาวะคําว่าโยนิโสมนสิการนัคือภาวะที่สติเราสามารถเข้าไปอยู่ตรงที่จิตมันแวบขึ้นมานั้นได้มันเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่มันคิดไปแล้วถึงรู้ไม่ใช่ไหมั้นโยนิโสมันมันดูที่มันเกิดเป็นมันต้องอยู่ใกล้กันแบบเนี่ยระหว่างความคิดกับสติเนี่ยเหมือนน้ากับน้ำมันเทสิกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนี่ยแต่มันคนอันกันไปนั่นแหะ แต่ในนี้มันคิดขึ้นมามันไหลเข้าไปในความคิดเลยสติเราเนี่ยปัญญาจึงเกิดไม่ได้ง่ายนะนั้นเขาบอกว่าคนไหนรู้กายวิญญาณจิตรำมาแล้วก็นันแหละคือคนจะรู้แจ้งเรื่องของอริยสัจละจะเห็นแจ้งอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงคนไหนตัดสรู้อริยสัจเห็นทุกตามความเป็นจริงเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมัน่งนิโรธก็คือความดับทุกข์ นิโรดปรากฏสี่ครั้งนะทั้งหนึ่งสองสามสี่มันเกิดเป็นผลเป็นผลเป็นผลเนะี่ยแต่ถ้าอันอื่นถ้ามันไม่เป็นส่งผลกอ่อการดับตัวอนุสัยเนี่ยหรือสังโยดให้หลุดไปได้มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่รู้สึกตัวแล้วก็เกิดความโล่งความโปร่งความเบาเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดเป็น้อยๆครั้งอันนี้แต่ไม่นับเป็นเรื่องของวิบัติษาญาน ไม่นับเป็นการรู้แจ้งในอริยสัจแต่มันจะเข้าใจเล็ก ๆ, ๆนๆน้อยเก็บไปเรื่อยๆคือวิปัสนาณปรากฏเลืๆ่ๆเรื่ๆน้อยสั่งสมไปวันหนึ่งเนี่ยพอมันโตมันจะปึ้งอันนี้แล้ดีอ่ะจะเกิดเห็นการเกิดดับเกิดอุทยพยัญายาเกิดอะไรขึ้นมาแต่ส่วนมากเราจะไปยุ่งอยู่กับ น, นุ่นเห็นกระโหลกเห็นร่างกายเปื่อยเนา่าผุพองเห็นโครงกระดูกเห็นเมื่อไหลเข้าไปในนิมิตแล้วอันนั้น แต่การเลือนสติเนี้ลืมตาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกตัวรล้วนๆแล้แลนำไปสู่การเกิดปัญญาแบบสุขวิปัสสโกเลยเนี่ยมันไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนิมิตแสงสีไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนิมิตความฝันความนุ่นความนี่อะไรแต่ไม่ ไ, ได้ยุ่งตรงนั้นนะอาตอมาไปไปเชียงรายาวันหนึ่งเขานิมนต์ไปบ้านไปเยี่ยมบ้านหตมาจากไปเทศที่ วัดพระทานผุผาเงาประเทศให้นักศึกษาวิทยายลัยสงฆ์มหาชุลาลงก่อนฟังแล้วก็เลยแวะไปบ้านเขาเขาที่มณฑปไ ป, ไปก็เลยไปเอาไปก็ไปพอไปแล้วเขาก็มีกลุ่มกลุ่มมาฟังเทศเนี่ยหลายคนเขานั่งอยู่ที่บ้านแล้วคนนี้มีปัญหาอันนี้คนนี้มีปัญหาอันนี้คนนี้ไม่มาเลมีแต่คนมีปัญหา ปัญหาเด็กบางคนเด็กสิบเจ็ดสิบแปดปีมันคือเขาเป็นลูกคนรวยเขาก็จะมองชีวิตแบบไหนแบบทำไมชีวิตมันไม่ได้เป็นไปอย่างเราคิดนะ่แล้วมันก็จะเกิดเครียดแค้นกับประสบการณ์นั้นที่มันจำมาแล้วจากนั้นมันก็จะเกิดการปวดหวัวไปเลยแล้วไปเรียนหนังสือไม่เป็นเลยคือต้องออกจากโรงเรียนแล้วอยู่บ้านเฉย ไม่าปวดหัวไม่รเราเหงืง่อจะเต็มเ่ยบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรร ม, มาแต่ไอความรู้สึกตัวเนี่ยบางคนดีดีแบบเขาก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังปฏิบัติมาที่ว่าเท่นั้นแล้วมันเป็นนี้แต่บางคนเนี่ยยังมีอาการว่าแล้วมันโกรธแล้วมันจะตัวสั่นอยู่แต่ว่าไม่ให้มันหลุดไม่ให้หลุดออกไปอ่ะ จะแก้ไขเปโน่นไป น, นี้นะแล้วก็หลายๆคนเนะี่ยพวกพยาบาลพวกอะไรในจำนวนนั้นมีคนคนหนึ่งเป็นครูสอนคิดศาสนานะเป็นครูสอนภาษาฝรั่งด้วยเขาเป็นเป็นมิชแนลรี่เขามาเล่าประสบการณ์คือเาเขามีปัญหาเรื่อง ทีแรกนะคือศาสนาคิดตอบเขาไม่ได้ตายแล้วไปไหนเนี่ยตายแล้วเกิดเขาประมาณนะค่าสิบกว่าปีนะเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้หันมานับถือศาสนาพุทธแต่ก่อนพ่อแม่เขาก็เป็นพุทธแต่ต่อมาเขาไปนับถือคริสแล้วก็ทํางานดูอบคริสแต่ต่อมานี่ยเขามานับถือพุทธทีนี้เขาทํำวิปัสสนาเขามีปัญหาเหมือนกันเขาก็ไปรออยู่ในบ้านนั้นเหมือนกันรอถามปัญหาหลงตาย แต่คนนี้เขาจะมีมีอาการนะเนี่ยคือมีอาการที่จะมีสมาธิมีนิมิตที่รู้อะไรล่วงหน้าเรื่อยได้ปนะรากฏอาการนั้นเนี่ยพระก็ไปด้วยหลายองค์ดู่เขาก็มีปัญหานะปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนแบบนเวลาทําไปทำไปเกิดไปนี้แต่ว่าจุดจุดสนใจเขาเกิดจากการไป ไปเจอพระกรรมฐานแลวพระกรรมฐานทักทักในสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่นะแต่ไม่ได้พูดออกมาแต่ท่านก็รู้รู้ว่าคิดอะไรท่านก็บอกอยี้แล้วเขากำลังจะตอบอีกคำหนึ่งพระเขบอกว่าไม่ต้องตอบคำนี้อัตมาตอบไห้เลยก็ได้ไม่ต้องถามแล้วตอบแล้วแล้วก็เกิดทึ่งขึ้นมาแล้วก็คือเข้าใจอะในสิ่งที่ทจะถามแต่ไม่ได้ถามแต่เขาตอบได้ดี ก็มีความทราบซึง้งเขาก็ถามเรื่องเรื่องปลากฏการแบบโน้นแบบนี้ในจันทร์เนี่ยแล้ก็ตอบไปตามที่ควรจะตอบและไม่ตอบตามที่เห็นว่าไม่จำเป็นนะเขอคุยให้เขาฟังคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็สนใจ วันวันหนึ่งเนี่ยเขาทาสมาธิที่บ้านเขาบอกว่าสมาธิมันดีตลอดนะมันดีตลอดสมาธิจิตเนี่ยมันดีตลอดมันจะโลงมันจะสบายเวลาหลับเวลานอนในจิตใจมันดีอ่ะเราก็คือได้อารมณ์เนี่ยจะไม่นานเท่าไหร่เขาทำู้แต่พูดอาจจะไม่พูดไปมากในเรื่องอันนี้ เพียงแต่อยากยกตัวอย่างาว่าเขานับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขานับถือคริสแต่เขามาฟังอะไรสักหน่อยแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาขยันทำแล้ววิธีทำของเขาก็ยากด้วยคือทำด้วยวิธีหลับตาเลอบตาก็จะมีสมาธิมีนิมิตมีอะไรไปนั่นแต่ว่าเขาก็สามารถประคองสติได้นานจนกทังถึงปัจจุบันเนี่ยไอ้ความโกรธความอรเขาสามารถควบคุมได้ เห็นะได้สลายได้นะี่นะคือไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาทำในวิธีที่มันยา ก, ยากแต่ก็สามารถทำได้แต่เขาก็หลายปีนะก่อนที่จะมาเจอนี่ยนะก็มาเจอลงตานี่หลายปีทำมาหลายปีก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเรานี่เป็นพุทธศาสนิกชนนะเราเนี่ย แล้วปฏิบัติทมด้วยหลวงตาก็ยังเชร์อยู่ว่าเจวันเนี่ยสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางจิตตามลำดับขั้นตอนของการทำวิปัสสนาได้แล้ววิธีเนี่ยไม่หลงทางแล้วไปได้ไวด้วยสามารถรู้ไวเห็นไวอย่างเห็นความคิดเห็นความวง่วงความเหงาเนี่นิวรเนี่ยแก้ให้ได้ บางคนแก้นิวรนเป็นนะแต่จะติดกิเลสที่มันละเอียดแบบเทวปุตตมาเนี่ยความคิดดีๆเกิดขึ้นเนี่ยอยากชวนคนนั่นมาอยากชวนคนนี้มาหรือมานประเภทที่อยู่ๆก็มีคนมาชวนเรากลับชวนเราไปทำ น, น, นู่นทำนี่อย่างเงี้ยจิตมันจะหลุดออกนอกตัวอย่าไปยุ่งกับมันรู้เฉยๆหรืออาจจะเป็นความปรุงแต่ง เป็นสังขารที่เราไม่เคยเห็นคือเกิดโอภาษเกิดความสว่างขึ้นเนี่ยมันสว่างที่กลางใจนะเวลามันสว่างที่กลางใจเนี่ยบางทีมองไปครมันจะสว่างไปหมดเลยนะเป็นโอภาษเกิดยานเกิดความอย่างรู้เกิดเห็นโอเห็นก็เกิดกระดับแค่เห็นมันเกิดมันดับอยู่ในจิตในน้อยเนี่ยดีใจนะจิตมันเกิดปีติเออบีมซาบซ่านขึ้นบาเทียไม่ใช่ลำบางเขี้ยวมาฟังแล้วเข้าใจแค่นี้ไม่ใช่ เขาต้องการสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตอนนี้แต่ไม่ได้ต้องการให้มีความเข้าใจที่เกิดจากการมาฟังฟังเนี่ยเพื่อให้เกิดศรัทธาศรัทธาเพื่อจะเอาไปทําแต่ในขณะเดียวกันหลายคนหลายครั้งเวลาฟังที่พูดเนี่ยถ้าสมาธิมันมีพอสติเหมือนเรากําลังจูนอยู่เนี่ยจูนสู่สถานีแห่งสุนยตารามวนไปวนไปวนไปมันไปถูกมันก็ว่างมันก็แจ่มแจ้ง เกิดได้สมาธิขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะเกิดการรู้ทําเห็นดําขึ้นมาได้ในขณะที่เราทําเนี่ยดันที่บอกว่าทําไปเรื่อยๆที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้สอนให้งมง่ายหรอกและไม่ใช่มันไม่มีผลหรอกยิ่งคุณทําไวคุณตั้งใจทําและ เ, ลรเรื่อเรื่อเนี่ยคือคุณเจริญสติไคุณสามารถเข้าถึงธรรมนัวคุณไม่ต้องอยู่เจ็ดวันก็ได้แต่ถ้ามาแลนั่งสงฆตั้งอะไเนี้จะยากเนี่ย แล้วบางคนก็ไม่อดไม่ทนลงตาเห็นคนเดิมแนหะ่ะเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ําอีกแล้วเดี๋ยววิ่งเข้าห้องน้ำอีกแล้ ว, ว, ว, ลวสันดาลนะนิสัยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกวันทุกวันจนทกทั่งจบงานถ้าไม่ทวงนะนะเราต้องเช็คตัวเองว่าอย่าให้ความความรู้สึกความเคยชินเนี่ยบังคับให้เราต้องทําแต่เราจะเลิกจากพฤติกรรมแบนั้นนะอย่าให้มันกลายเป็นสันดานสันดาลคือ จากนิสัยธรรมดานะ่ยจะเป็นภาวะที่แก้ไม่ได้นะก็เรียกว่าสันดานมันแก้ไม่ได้ถ้ามันยังแก้ได้อยู่แสดงว่ามันยังไม่เป็นสันดานเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยนะยังไม่ใช่เป็นอนุใสย่ยังไม่เป็นกีเดทเครื่องดองในสันดานบางทีเวลามันทําเวลาคนแตะคนทักหน่อยเนี่ยมันจะวูบวาบขึ้นมาดีนะั่นไม่พอใจเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มก่อเป็นอุปทานแล้วนะ เรื่องของกูขึ้นมาดี น, นะกูจําเป็นเนี่ยนูยน้นนี่ลองเลิกดูดิมันได้หมดแหละไอ้ที่จะทําเนี่ยสําคัญว่าจะทำไหมนั่นเองเวลาคุณทําได้สักครั้งหนึ่งคุณจะภูมิใจมากเพราะคุณทําด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่คุณแต่อย่าน้อยเรามาปฏิบัติทําด้วยกันเนี่ยเอาสังคมเนี่ยเป็นตัวกัน้นกลางเอาตัวสังคมเป็นตัวสะกีนความวัวพึ่เราเราว่าเราดีแล้วคนอื่นยังดีกว่า เราเพียรขนาดนี้คนอื่นยังดีกว่าเราอะ่ะเขาก็ยังไม่รู้หรือบางทีเขารู้เพราะเขาเพียรกว่าเราหรือบางทีที่เราเพียรจะจัดโอ้คนนั้นไม่เพียรเท่าไหร่ก็ยังรู้แจ้งเรามีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบแต่ไม่ได้หมายว่าเราดีกว่าเขาเราเด่นกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขาพวกนี้จะเป็นมานะทันทีเลยเป็นมานะคือดูเพื่อให้จิตเราเกิดเกิดความตั้งอกตั้งใจที่จะทําหรือถ้ามันมากให้มันลดลงมา มันพูดไม่ได้ว่าเอาจริงไหมจริงจะรู้ธรรมะเนี่ยไม่เอาจริงก็ได้นะแต่ถ้าว่าว่าไม่เอาจริงก็ได้เนี่ยเราไปให้ไปจํากัดความสามารถเอาไว้เมืองเลยขี้เกียจซะเอาจริงนั่นแหละดีเอาจริงนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยออทุกขาทัญญาพญญาปฏิปทาสุขาพิญญาทันดาปฏิปทาบางคนปฏิบัติสบายสบาย รู้แจ้งได้ง่ายๆบางคนปฏิบัติยากแต่เวลารู้แจ้งได้ง่ายๆคือปฏิบัติยากเอาจริงเอาจังแทบตายนะแต่อีหน่อยรู้แจ้งไม่กี่วันนะแต่บางคนปฏิบัติง่ายๆเรื่อๆไปจนเกือบจะตายค่อยรู้บางทีอายุเยอะแล้วเนาะอันนี้ปฏิบัติง่ายรู้ยากปฏิบัติยากรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ง่ายปฏิบัติยากรู้ยาก น้ำลึกเงาตื้นน้ำตื้นเงาลึกน้ำน้ำลึกเงาตื้นน้ำตื้นเงาตื้นพระยุทเจ้าท่านบอกแต่สำคัญมันก็อยู่ที่ตัวรู้สึกตัวนี่แหละเราวัดดูว่าสติเราวันนี้เป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดีต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเราจะรู้เองเดินเนี่ยรู้ขี่ก้าวเดินไปเดินกลับใน่รู้ตลอดไหมหรือเดินไปแม่งอธิษฐานพอเดินลืมหมดพอข้าข้ามตินครั้งแม่งรู้สึกตัวอีกทีนึง ไปอาบน้ำลืมพอเดินเข้ามามายกมือรู้หน่อยๆน่อยวันหนึ่งรู้สามครั้งหลังอาหารก็เกิดปัญญาไม่แบบนี้มันยากแต่ก็จยคิดว่าไม่ได้อะไรนะคุณก็ได้ความอดทนแล้วมาที่เนี่ยได้ลดความตามใจหน่อ ย, อยแต่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าปฏิบัติตามหลักอริยสัจหรือจะเรินสติเพื่อการบรรลุธรรมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ คนจะมีเส้นทางที่ถูกต้องหลวงตางก็ไม่อยากให้นองอมง่ายหรือไม่ได้อะไรอย่าง น, น้อยคือให้มันเข้าใจที่ถูกแล้วอย่างหนึ่งเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของความสามารถของแต่ละคนในทีน่นี้ว่าทำได้หมดสำคัญว่าจะเอาจริงไม่ทันใดเองก็เลยว่ามีการปฏิบาลทำเจ็ดวันเนี่ยตามที่สติปัฏฐานสูตรบอกว่าอย่างน้อยเจ็ดวันเจ็ดวันเห็นผลนะ่ะ เขาว่าเจดวันบรรลุอลหรหันต์หรือไม่ก็พระอนาคามีอุปาทิเสเสอนาคามีอัญญาอัญญาก็คือบรรลุอลหรหันต์นะอุปาทิเสเสอนาคามีหรือไม่ถ้ายังเกิดการรู้แจ้งแล้วมันยังมีเศษส่วนมันเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆในจิตเป็นพระอนาคามีของเราไม่ต้องเอาพระอนาคามีพระอรหันต์อะไรหรอกนะสติมันดีกว่านี้สักหน่อยก็ดีก็ไปเนี่ย ตัดความคิดตัดความปรุงแต่งได้เส้นเล็กส้นน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรอ่แต่มันอยู่ที่คุณต้องเป็นคนจริงเนยปฏิบัติธรรมเนี่ยฉนั้นคนไม่จริงเวลาลูบตาไปดูลูบตาดุหรืออะไรเนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าเกียดชังอะไรใคร ล, ลูตาลังเกียจจิตประเภทนั้นนะที่มันไม่เอาจริงเอาจังที่จริงมันสามารถทําได้แต่เราโอ้ยอ่อนเอกับมันเกินไป สักยภาพคุณเจ็ดวันคุณทำได้อยู่แต่คุณไม่อยากทำตัวเองคืออะไรกิเลสตัณหามันเยอะนะบางคนสะกิดน้อยเดียวเขาตื่นบางคนสอนยตื่นโยมทำไมไม่ตั้งใจล่ะโอ้ยปวดขาโอ้ยเป็นอะไรไ ป, ปลงตายจะหนีนาะดีจบนะเหตุผลเยอะคนนี้ธรรมะมันต้องอยู่เหนือเหตุเหนือผลคนไหนที่คุยแล้วเหตุผลเยอะเนี่ย ก็คือกิเลสมันเยอะนี่ยแหละคำพูดทุกอย่างเนี่ยออกมาเป็นกิเลสมนันนะถึงไม่เหตุผลคุณจะดีขนาดไหนก็ตามเขาพูดให้จิตมันยุบตัวไม่ได้มาขอเหตุผลอะไรจากใครเวลาไปสอบประลองถามว่าวันนี้เป็นไงง่วงไหมประลองง่วงไหมเนี่ยคำว่าง่วงไหมเนี่ยไม่ง่วงเป็นอย่างงั้นอย่างนี้อะไรแต่ไม่ไ ม, ไมหานั้นแต่เขาไปดูอารมณ์เขเรียกว่าสอบอารมณ์ไง คำว่าสอบอารมณ์ไม่ได้ไปหาคําตอบที่ถูกต้องจากคุณนะแต่เขาดูอารมณ์บางคนไม่รู้อะไรนะแต่ดูอารมณ์เขาแล้จิตใจเขาสบายถามว่าวันนี้คิดเยอะไหมโอ้ยคิดตั้งหลายลงตาเป็นหมื่นๆเรื่องแต่ดูปากดูตาถ้าทางมันยิ้มเย้มแจ่ ม, ม, มใสแสดงว่าไม่ค่อยติดความคิดเท่าไหร่แต่มันก็เยอะคนอย่างนี้จะบอกง่ายออ้เ น, นี่ย จะง่ายแล้วเข้าถึงทำได้ไวกว่าคนนี้วันนี้ว่างตลอดจะง่ายคนนั้นแต่คำตอบ ว, ว่างตลอดเนี่ยจิตเรารู้ทีว่ายึดไม่ยึดจะให้ข้อมูลอะไรไปเนี่ยจะให้รหัสอะไรเข้าสู่อันนี้อริยสัจเนี่ยนะนั่นไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ยากนะต้องรู้จักสังเกตดูเอาแล้วจะเห็นธรรมะไม่ได้อยู่ไกล อยู่ในใจเรานั่นแหละอยู่ในกายเรานี่แหละคือมาศึกษาดูธรรมชาติของกายของใจตั้งใจนะอริยสัจสีความจริงเงินประเสริฐมันจะประเสริฐได้จะเห็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อสติเราเนี่ยเป็นสติปัฏฐานสติสัมปเะพัฒนาไปสู่วิปัสสาญญาเกิดการรู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นอริยสัจ จะปรากฏขึ้นมาเองทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ท่านบอกสิ่งที่ต้องเป็นกําหนดรู้นะทุกเนี่ยทุกเกิดขึ้นกนําหนดรู้ทุกกาหนดรู้กำหนดรู้แต่ส่วนมากเราจะกําหนดรู้แต่ทุกร่างกายทุกทางจิตเราไม่ค่อยกําหนดรู้เราจะกลบเกินนี่นแล้วก็ทนเอาทนเอาข้างนอกไม่ใช่ทุกในอนิสัตต์คือทุกในขันห้าอันนี้ทุกในธาตุสเ น, นี้ยแต่ก็กําหนดรู้มันเพื่อไม่ให้มันหลงกายไง รู้กายเพื่อรู้แจ้งกายปล่อยวางกายรู้จิตเพื่อรู้แจ้งจิตอารมณ์ปรมัติเนเพื่อปล่อยวางจิตปล่อยวางจิตปล่อยวางคือไม่หลงไปตามมันแล้วมันคิดอะไรให้ก็ไม่ไปแล้วต่อไปเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อกี้อะไรให้ก็ไปมันเจ็บอะไรก็ไหลเข้าไปรูดไปหมดน่ะมันแก่ก็แก่ตามมันมันปวดก็ปวดตามมันเมื่อยเมื่อยตามมันต่อไปไม่ไปแล้วนะรู้แจ้งอริยสัจคือความจริงแท้ของอริยสัจก็คืออนัตา อนัตตาคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ถูกรู้ไม่มีอะไรแต่ถ้าเรายังไปยึดนั่นยึดนี่อยู่นะมันก็ยังหนักอยู่ก็ปล่อยวางทุกอะไรเกิดขึ้นก็นรู้เฉยเเห็นเฉยเฉนะมีแต่สติที่มันบริสุทธิ์รับรู้เฉยเเนี่ยเห็นไปเรื่อยเรืย แล้วการปล่อยวางที่แ ท, ท, ท้จริงหรือเจรา ก, กฎเกิดขึ้นถึงตอนนั้นท่านทั้งหลายก็รู้สึกว่าเกิดมาพบพุทธศาสนานี่ไม่เสียชาติเกิดเลยได้ไประโยชน์ต่อการนําถือศาสนาพุทธเนี่ยเกิดมาเนี่ยอริยสั จ, จานัตสนาได้เห็นความจริงของพระริยาเจ้าอริยสาวกเท่าไหลายท่านรู้ยังไงเนี่ยเราปฏิบัติเราก็ได้เข้าถึงภูมิใจนะได้นับถือพุทธศาสนาเนี่ย แต่เราไม่จะไม่ภูมิใจในแบบลักษณะแบบศาสนาแบบประเพณีพิธีกรรมไม่แต่ภูมิใจในว่าพระพุทธเจ้ามาสอนให้วิธีเราออกจากความคิดได้เนี่ยออกจากความงมงายได้ออกจากความปรุงแต่งออกจากอันนี้ได้ต้องจะภูมิใจจะดีใจอชีวิตที่เกิดมาโอ้ยไม่เสียชาติเกิดแล้วกูได้เกิดแล้วได้เกิดแล้วได้เกิดแล้วเราเห็นเ้าทีว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่ เกิดปัญญานี่วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่วัยเวลาเท่าไหร่ไอ้ที่เราเคลอดมาจากพ่อจากแม่เนี่ยเขาเขียนใบเกิดสูตติบัตให้เนี่ยอันนั้นเขาบอกเราไม่ใช่รู้เองแต่ถ้าเราเกิดสติเกิดปัญญานี่คือเราจะเกิดเองรู้เองเห็นเองไงนี่ว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่มันแจ่มแจ้งภายในเนีไยเวลาเราพูดให้เขาฟังเนี่ยเราบอกทันทีว่าเราเกิดได้เกิดแล้ววันที่เท่า น, นั้นตอนนั้นเราสร้างจังหวะอยู่เราเดินจโจกคมอยู่หรือเรากําลังทํากิจอะไรอยู่เนี่ย ภาวะนั้นมันเกิดขึ้นนะเราจะจำได้แบบชัดเจนเลยทุกมันดับตรงนั้นเห็นตรงนั้นแล้วจะจำภาวะอันต น, น, นตายนะอนมทนากับทุกท่านนะที่ยินได้ฟังนำไปนะปนพนิจารณา เอามาไต่สวนทวนถามกลางแผนที่ที่หลวงตามพูดเนียว่าเส้นทางเราเดินเป็นยังไงเนนะสภาวะจิตเราเป็นยังไงความอดทนความข ย, ยันความแข็งความเอาจริงเอาจังเจลิตนิสัยอะไรที่ควรตัดเนี่ยกล้าตัดไมหมเรือยงเสียดายอยู่อะไรไวะเนี่ยเหตุปัจจัยอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการรู้ทำเพียรทำทำให้มันเกิดแล้วท่านทั้งหลายจะได้พบเห็นธรรมะในระยะเวลานใกล้นี้ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนท่น